เริมพรญาติโ ย, ยมทุกๆท่านคุณหมอตั้งเป่านะอยากให้พวกเราได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมมันก็ดีที่สุดแหละโอกาสที่เราจะมีดวงตาเห็นธรรมในเพศคารวานะนั้นก็เป็นไปได้นะไม่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้มันอยู่ที่เงื่อนไขสองข้อข้อแรก เรปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าถ้าปฏิบัติผิดก็ไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมหรอกอันที่สองถ้าปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติทำสมควรแก่ทํำไหมคือถ้าปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างก็ไม่ได้ผลเลยไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมการที่เราจะได้ดวงตาเห็นธรรมเนะี่ยมันพูดง่ายแต่ว่ากว่าจะได้มาเนี่ย มันต้องลงทุนลงแรงของฟรีไม่มีหรอกมีแต่ว่าต้องทำให้สมควรทำให้ถูกทำให้สมควรทุกวันนี้ก็มีธรรมะให้อ่านให้ฟังนะได้ยินได้ฟังมีผู้เผยแพร่มีผู้ประกาศธรรมะเยอะแยะไปหมดนะสำนักปฏิบัติธรรมก็มีตั้งมากมายมันเป็นปัญหาหนึ่งสาหรับพวกเราเหมือนกันนะว่าเราควรจะปฏิบัติยังไงมันจะถูก ถูกหรือไม่ถูกอย่าไปดูที่ถูกใจของเราเองอย่าไปตามเพื่อนเราต้องดูให้ได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสิ่งเหล่านี้ต้องเรียนถ้าเราไม่เรียนนะเราก็ไม่มีทางที่จะรู้หรอกว่าคำสอนอะไรถูกหรือไม่ถูกมันอาจจะถูกใจถูกกิเลสเรานะฟังแล้วมันมันดีอนะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องงั้นเราต้องมาเรียน โดยภูมิปัญญาของพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้วิธีปฏิบัติได้ด้วยตัวเองท่านผู้ที่จะรู้วิธีปฏิบัติได้ตัวเองมีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพวกเราบารมีไม่ถึงพวกเราอย่างมากก็เป็นอนุพุทธะรู้ตามท่านไปเป็นผู้รู้ตามงั้นอาศัยพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนเราให้รู้วิธีปฏิบัติ เส้นทางของการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะพูดกันมากมายแค่ไหนนะถ้ารวมประมวลลงมาให้ถึงที่สุดเราต้องมาเรียนนะอยู่3เรื่องเท่านั้นเองคือเรื่องศีลเรียกว่าศีลสิกขาเราต้องมาเรียนเรื่องศีลสิกขาทำยังไงศีลจะเกิดขึ้นเราต้องมาเรียนเรื่องจิตของเราเองถ้าเราเรียนเรื่องจิตแล้วเราจะได้สมาธิที่ถูกต้อง เราต้องมาเรียนเรื่องวิธีเจริญปัญญาเรียกว่าปัญญาศิกขาเรียกว่าไตรศิกขาหน้าที่ของชาวพุทธคือหน้าที่ของการเรียนนะขณะพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคานียังเป็นนักเรียนอยู่เรียกว่าเสขบุคคลพวกเราเนี่ยยังเข้าโรงเรียนไม่ได้เลยยังไม่ใช่นักเรียนตัวจริงเลยนักเรียนตัวจริงนะต้องพระโสดาบันขึ้นไปพวกเราก็คล้ายๆนักเรียนเตรียมนะ ตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนเตรียมอุดมยังไม่ได้เข้ามาหาวิทยาลัยลเข้าเป็นนักเรียนแท้ๆนะเาเรียกว่าเสกขบุคคลเสกขบุคคลนะมีสามจำพวกคือพระโสดาบันพระสัติธาคามีพระอนณนคามนะีท่านผู้เรียนจบแล้วคือพระลหันมีคนพวกเดียวคือพระละหันพวกเราต้องเรียนหน้าที่ของชาวพุทธคือเรียนนะเรียนในสิ่งที่พูดุทธเจ้าสอนนะ หลักสูตรที่เราต้องเรียนมีสามันเท่านั้นเองเรียนเรื่องศีลแลศึกษาทำยังไงเราจะมีศีลเรียนเรื่องจิตตสิกขาทำไงจิตของเราจะตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาแล้วก็เรียนเรื่องปัญญาศิกขาวิธีจเจริญปัญญาถ้าเราจเจริญปัญญาไม่เป็นได้แต่มีศีลแล้วก็ทำสมาธิเดินปัญญาไม่เป็นไม่มีโอกาสจะได้มรรคผลเลย เพราะว่าอะไรพระพุทธเจ้าทัดย้ำนักหนานะว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการทําทานด้วยการถือศีลด้วยการนั่งสมาธินะแต่การทําความดีต่างๆนะั้นมันเหมือนเป็นบันไดขั้นต้นๆที่จะพัฒนาตัวเราขึ้นไปการที่เรามีศีลนั้นนะมันจะทําให้จิตใจของเราอยู่กันเนื้อกับตัวง่ายจิตใจสงบง่ายจิตใจตั้งมั่นง่ายเพราะฉั้นเราถึงต้องมีศีลหลายคนกลุ้มใจได้ยินว่าต้องถือศีนนะ เขาไม่อยากถือไม่เห็นคุณค่าไม่รู้หรอกว่านี่เป็นของดีของวิเศษที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้พวกเราการรักษาศีนะั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าก็จริงนะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านก็เห็นว่ามีประโยชน์นะท่านก็รับเอามาไว้ในพระพุทธศาสนาแต่คำสอนเรื่องวิธีรักษาศีนของท่านนะประณีตลึกซึ้งศีนนั้นไม่ใช่แค่ตั้งใจรักษานะแล้วก็ทุกทรมานใจ ไม่ได้อยากรักษาเลยแต่ว่าจำใจรักษาเนี่ยเพราะเราไม่ได้มีศีลสิกขาเราไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นประโยชน์ของศีลเราก็ไม่เต็มใจจะรักษาศีลรักษาไปด้วยความตรอมใจนะไม่อยากรักษาศีลก็พล่องกับแฝงตลอดเวลาถ้าเราได้เห็นคุณค่าของศีลเราจะเต็มใจรักษาศีลนะเห็นคุณค่ายังไงถ้าเมื่อไร่พวกเรามีศีลนะจิตเราจะมีสมาธิได้ง่าย คนที่ไม่มีศีลสมาธิจะเสื่อมอย่างรวดเร็วเลยอย่างเทวทัตนะเสียศีลเดิมก็คงมีศีล น, นะแล้วก็ทำสมาธิได้ถึงได้อภิญญานะหเหาะเฮินเดินอากาศได้อะไรอย่างนั้นมีฤทธิ์แปลงตัวได้นะต่อมาศีลเสื่อมไปศีลไม่ดีสมาธิก็เสื่อมอย่าว่าแต่จะเหาะอะไรจะเดินยังเดินไม่ไหวนะต้องให้คนหามมาเฝ้าพระพุทธเจ้าศีลนะเนี่ยถ้าเรารักษาได้นะมันจะช่วยเกื้อกูลให้เกิดสมาธิ สมาธิเนี่ยจะเป็นเครื่องเกื้อกูลให้เราเจริญปัญญาได้นะเพราะฉั้นเราต้องรักษาศีลคนที่มีศีล น, นั้นจิตจะมีสมาธิง่ายนะถ้าไม่มีศีลจิตจะไม่มีสมาธิคิดดูอย่างถ้าเราคิดจะทําร้ายคนอื่นทนะี่จะฆ่าเขาที่จะตีเขาที่จะกลั่นแกล้งเขาอะไรเนี่ยเราไม่มีศีลใช่ไหมคนที่คิดจะทําร้ายคนอื่นนะจิตใจไม่สงบไม่มีความสุขไม่มีความสงบ คนที่เมตตาการุณาคนอื่นนะมีศีลธรรมไม่คิดจะทําร้ายใครเลยเนี่ยจิตใจมีความสุขมีความสงบคนที่คิดจะขโมยของเขาลักทรัพย์เขานะชอบโกงเขาเนี่ยจิตใจไม่มีความสงบนะไม่มีความสุขไม่มีความสงบวุ่นวายใจนะคนที่ไม่คิดชอบโกงใครนะถ้าถึงขั้นเสียสละส่วนเกินช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยเนี่ยจิตใจยิ่งมีความสุขนะคนที่ให้มีความสุขมากกว่าคนที่รับนะ ถ้าเรารักษาศีลเรากระพฤติสุจริตนะอยู่ในคู่ครองของเราไม่นอกใจกันจิตใจก็ร่มเย็นเปี่ยนสุขในบ้านก็ร่มเย็นเปี่ยนสุขตรงในบ้านนอกใจกันสักคนหนึ่งนะก็วุ่นวายขึ้นมาในบ้านลูกเต้าก็ปั่นป่วนไปด้วยคนโคหกหลอกลวงไม่มีความสงบไม่มีความสุขคนพูดความจริงนะจิตใจมีความสุขมีความสงบไหมเนี่ยศีล น, นะถ้าเรารักษาได้นะมันจะได้ธรรมะมาหลายข้อเลย ได้ความเมตตากรุณามาจากการถือศีลไม่ทํำร้ายใครได้ความรู้จักเสียสละนะไม่เห็นแก่ตัวจากการที่เราถือศีลไม่ลักขโมยใครได้ความสันโดษในกามไม่หมกมุ่นในกามจากการที่เราประพฤติศีลข้อ3เห็นไหมได้สัจจะจากการที่เรารักษาศีลข้อสีได้สติสัมปชัญญะจากการรักษาศีลข้อห้าก็เรากินเหล้าเมายาเนะสติมันเสีย เพราันศีลเนี่ยจำเป็นมากนะหลวงตามหาบัวท่านพูดด้วยเลยว่าคนยุคเราเนี่ยไม่มีศีล น, นะท่านเรียกว่าบ้านหมาเมืองหมานะการัดกันแย่งกันอะไรต่ออะไรนะเบียดเบียนกันตลอดเวลาเราไปแก้คนส่วนใหญ่ไม่ได้แต่เรามาปรับจิตปรับใจของเราให้มีศีลซะก่อนในบ้านเราจะร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นนะวิธีรักษาศีลเนี่ยไม่ใช่แค่ตั้งใจรักษานะต้องมีสติเป็นเครื่องรักษาจิต คนทำผิดศีลได้เนะีเพราะว่าขาดสตินะอย่างความโกรธครอบงําใจไ ด, ด, จไดไ้เพราะความโกรธครอบงําใจได้มันก็ทําร้ายคนอื่นได้นะไปทําลายทรัพย์สินเขาก็ได้แกล้งเป็นชู้คนเมียเขาก็ได้ไปด่าเขาก็ได้แม่ผิดศีลได้ทุกข้อเลยแค่โทสะครอบงําจิตหรือโมโหโทโสอานะรมณ์ไม่ดีนะหรือเศร้าโศกเศร้าโศกก็เป็นโทสะเศร้าโศกคนจนํานวนมากก็ไปกินเหล้าเห็นไหมเนี่ยเพราะกิเลสมันครอบงําจิตก็นะทําผิดศีล หรือราคาครอบงําจิตเก็ทําผิดศีลได้ทุกข้อเหมือนกันนะอยากได้สมบัติของเขาก็ไปทําร้ายเขาก็ได้ใช่ไหมประทุสร้ายเขาก็ได้นะช่อโกงเขาก็ได้ผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้ปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ากิเลสมันครอบงําจิตเราพวกเราไม่รู้หรอกว่ากิเลสคือศัตรูตัวจริงของพวกเรานะเราเห็นว่ากิเลสนะัไม่มีอะไรน่ากลัวนะเราปล่อยให้กิเลสนะั้นคลองใจของเรามาตลอดเวลาเลย งั้นต่อไปนี้เราต้องลุกขึ้นสู้กับกิเลสให้ไดนะ้อย่าให้มันคลองใจของเราได้ให้สติให้ปัญญานะให้ธรรมะคลองใจแต่อย่าให้กิเลสคลองใจของเราวิธีการที่เราจะมีศีล น, นั้นบริสุทธิ์หมดจดขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยสติมีสติคุ้มครองรักษาจิตไม่ให้ถูกกิเลสครอบงำํำงั้นเวลาที่กิเลสเกิดขึ้นในใจเรานะให้พวกเรารู้ทันนะพวกเรารู้จักความกโกรธไหมใครกโกรธเป็นบ้างยกมือซิ ใครไม่เคยโกรธมีไหมไม่โกรธก็โกหกแหละนะก็โ ก, กรธเป็นทุกคนแหละใครรู้จักโลภไหมโลภโอ้นี่โลภเป็นพวกโลภมากใครโลภมากต้องยกสองมือเราโลภน้อยยกมือเดียวบางคนบอกว่าโลภเยอะสองมือไม่พอยกนะพวกเรารู้จักนะกิเลสทุกชนิดเนี่ยพวกเรารู้จักอยู่แล้ว ความโกรธเป็นยังไงพวกเราก็รู้ความโลภเป็นยังไงพวกเราก็รู้ความฟุง้งซ่านเป็นยังไงพวกเราก็รู้นะเมื่อพวกเราคอยรู้ทันเวลากิเลสอะไรเกิดขึ้นในใจเราให้รู้ทันเอาไว้นะถ้าเรารู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นที่จิตเนี่ยโดยอัตโนมัตินะกิเลสจะดับโดยอัตโนมัติเลยนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมานะจิตจะไม่ถูกกิเลสครอบงำนะเดีย๋ยวตอนที่มีคนเดินเข้ามากลุ่มหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้พวกเรารู้สึกไหม แตอนที่มีคนเดินเข้ามาเนี่ยจิตเราฟุ้งซ่านจิตเรามีโมหะนะจิตเราฟุง้งวิ่งไปดูเขาเนะี่ยกลังฟังเทศอยู่แต่ไม่ฟังลนะหลวงพ่อประมวล น, น่าสนใจน้อยกว่าห้าหคนนี่อีกนะนะเนะีนะ่ย ใ, ใจของเราฟุ้งซ่านนะกิเลสนะมันก็มีแค่3ตัวเองราคะโทสะโมหะ3ตัวเท่านี้แหละเรารู้ไม่ทันมันเฉลิมปล่อยให้มันคลองใจของเราคลองใจเราได้ก็คือคลองโลกได้นั่นเอง เราเป็นนี้นะกิเลสอะไรเกิดขึ้นเรารู้ทันนะทุกคนรู้ได้อยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนก็รู้ความโลภเป็นยังไงทุกคนก็รู้ความฟุ้งซ่านเป็นยังไงก็รู้ความหดหู่เป็นยังไงก็รู้นะกิเลสอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวนนะเซงเบือ่อรู้จักเซงไหมเบือนะเบ่อเบื่อก็กิเลสนะเป็นโทสะน้อยใจเนี่ยก็โทสะนะมันใจมันไม่แช่มชื่น พวกเรารู้จักกิเลสทุกชนิดอยู่แล้วแต่ต่อไปนี้นะที่ผ่านมาเนี่ยกิเลสเกิดเราไม่ใส่ใจนะเราปล่อยให้มันครอบงําใจของเราแล้วก็ผิดศีลผิดธรรมไปเรื่อยต่อไปนี้กิเลสอะไรเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันเข้าไปเลยนะไม่ห้ามนะกิเลสเกิดก็ได้นะเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะไปห้ามกิเลสนะกิเลสนั้นอยู่ในสังขารขันนะอยู่ในกองทุกทุกนั้นมีหน้าที่ที่พวกเราจะต้องรู้ไม่ใช่ละ หน้าที่ของเราก็คือคอยรู้กิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเรากิเลสเกิดจากอะไรเกิดเกิดขึ้นตอนไหนกิเลสเกิดตอนที่มีการกระทบอารมณ์นะกระทบอารมณ์ทางตาเรามองเห็นเห็นคนนี้เราก็รักเห็ น, หนคนนี้เราก็เกลียดนะกิเลสเกิดจากการกระทบทางหูๆๆๆๆได้ยินเสียงอย่างนี้ชอบได้ยินเสียงอย่างนี้ไม่ชอบนะจะโหมกได้กลิ่นเดี๋ยวก็ชอบอันนี้เกลียดอันนี้นะลิ้นกระทบรส ก็พอใจไม่พอใจนะมีราคะบ้างโทสะบ้างแม้มันเกิดจากการกระทบอารมณ์หรือที่เรียกว่าผัสสะการกระทบอารมณ์หรือใจของเราอยู่ๆเราก็คิดนะไม่ได้เจตนาจะคิดเลยอยู่ๆหน้าของคนคนหนึ่งนะซึ่งเราลืมมันไปนานละหน้าของคนคนนี้โผล่ขึ้นมาคนคนนี้เคยสร้างความเจ็บแค้นให้เราไว้นะหลายสิบปีมาแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนะเคยวิ่งเล่นไล่จับกันนะแล้วมันแอบขัดขาเราเราหกล้มนะ ก็อยู่ๆก็ผุดขึ้นมาจําขึ้นมาได้อีกเนะี่ยสัญญานะมันผุดขึ้นมาพอสัญญาผุดขึ้นมานะใจก็ปรุงต่อเนยโกรธขึ้นมาได้อีกหรือบางทีคิดถึงเรื่องราวบางเรื่องราวใช่ไหมก็เกิดราคะเกิดพอใจขึ้นมาได้อีกงั้นกิเลสเนี่ยไม่ได้ว่าอยู่เฉยๆแล้วเกิดไม่ใช่เกิดตามยถากรรมแต่มันเกิดจากการที่เรากระทบอารมณ์ตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียง จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวนะใจกระทบความคิดนึกปรุงแต่งเมื่อมีการกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยถ้าสติปัญญามันไม่ทํางานนะทำงานไม่ทันกิเลสจะมีโอกาสเกิดขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเราคอยรู้ทันนะเราไม่ห้ามกิเลสกิเลสเกิดได้เพราะฉะนั้นมีตาก็ดูรูปไปมีหูก็ฟังเสียงไป แต่พอไปดูรูปไปฟังเสียงแล้วกิเลสเกิดขึ้นที่ใจให้มีสติรู้ทันเอาแค่รู้ทันกิเลสเท่านั้นเองนะกิเลสจะก็ไเด็นอกจากใจเราอัตโนมัติเลยเพราะอะไรเพราะที่ใดมีสติที่นั้นจะไม่มีกิเลสนะที่ใดมีกิเลสที่นั้นไม่มีสติหรอกงั้นถ้าเราเข้าใจหลักของธรรมะข้อนี้นะหลักของธรรมะเนี่ยท่านเรียกว่าธรรมนิยามือกฎของธรรมะถ้าเราเข้าใจกฎของธรรมะที่ว่าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นไม่มีสตินี เราไม่ต้องไปสู้กิเลสเราเพียงแต่พัฒนาสติให้เกิดเร็วๆนะวิธีที่เราจะพัฒนาสติให้เกิดเนี่ยสติเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นเพราะงั้นเราต้องหัดรู้สภาวะบ่อยๆหัดรู้ไปในใจของเรานี่แหละกิเลสอะไรเกิดก็คอยรู้กิเลสอะไรเกิดคอยรู้นะรู้ก็รู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้นะตอนที่หลวงพ่อไปเรียนอย่างหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลท่านสอนเลยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ เนี่ยจริ ง, รงๆการปฏิบัติไม่ยากอะไรกิเลสเกิดต้องคอยรู้เอานะจะยากอะไรโกรธเราก็รู้จักใช่ไหมโลภเราก็รู้จักฟุ้งซ่านหดผูกอะไรอเราก็รู้จักอยู่แล้วเพียงแต่เราละเลยที่จะรู้ต่อไปนี้อย่าละเลยนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่ใจเคยรู้นะตามองเห็นเห็นได้ไหมได้เรามีตาเราไม่ใช่ตาบอดนะถ้าท่านบอกว่าอย่าไปเห็นสินะอย่าไปฟังสิไม่าอางนั้นคนหูหนวกคนตาบอดจะบรรลุธรรมก่อนเรา ถ้าหูหนวกตาบอดมาแต่ ก, กําเนิดนะท่านถือว่าอาพับเลยไม่มีทางเรียนธรรมะด้วยซ้ําไปงั้นเรามีตาเรามีหูเนี่ยดีแล้วนะมีตาเราก็ดูรูปมีหูเราก็ได้ยินเสียงแต่เมื่อดูรูปแล้วกิเลสเกิดราคะโทสะเกิดหรือใจฟุ้งซ่านขึ้นมาให้มีสติรู้ทันว่ามันเกิดกิเลสแล้วหรือตากระทบรูปนะอะไรเกิดขึ้นรู้ทันหูได้ยินเสียงนะกิเลสอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้อย่างนี้เรื่อยๆไป หัดรู้บ่อยๆต่อไปมันจะรู้โดยอัตโนมัติไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้เพราะมันเคยรู้บ่อยๆธรรมชาติของจิตมันเป็นอนัตตาจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้แต่ธรรมชาติของจิตนั้นฝึกได้อย่างเรามีลูกเราบังคับลูกเราไม่ได้แต่เราฝึกได้เราให้การศึกษาได้หมาแมวเขายังฝึกได้เลยจิตนี้เหมือนกันเราสั่งจิตให้ดีไม่ได้แต่เราฝึกจิตให้ดีไดนะ้เราก็ค่อยๆมาเรียนในเรื่องของใจศึกขานี่แหละ นะเรียนเรื่องศีลวิธีรักษาศีลรักษาศีลที่ดีก็คือมีสติรักษาจิตสุดท้ายกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดนะถัาจากนั้นเราก็ต้องมาเรียนสิ่งที่สูงขึ้นไปอีกเมื่อจิตเรามีศีลอัตโนมัติแล้วนะเราก็ามาฝึกจิตบทเรียนต่อไปชื่อจิตศิกขาเป็นเรื่องอาภัพที่สุดเลยบทเรียนนี้นะเรื่องศีลเนี่ยยังมีคนพูดบ้างเรื่องปัญญายังมีคนพูดพูดเยอะด้วย สร้างจริงๆทำไม่ได้หรอกเพราะไม่เคยฝึกจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาเก็จะเจริญปัญญารู้รูปรู้นามนะดูพองยุคดูโน้นดูนี่ไม่ได้เจริญปัญญาจริงเพราะว่าจิตไม่มีความพร้อมงั้นก่อนที่จะเจริญปัญญาได้นะต้องผ่านบทเรียนที่สซะก่อนคือการเรียนเรื่องจิตถ้าเราเรียนเรื่องจิตเราจะรู้จักจิตชนิดต่างๆ จิตชนิดไหนเป็นกุศลจิตชนิดไหนเป็นอกุศลมันจะเกิดหมุนเวียนกันอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเดี๋ยวจิตก็เป็นอกุศลอย่างลักษณะของจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะเบานะมันจะนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวนะซื่อตรงในการรู้อารมณ์นะขยันไม่ซึมไม่ทื่อไม่ขี้เกียจนะแล้วก็ไม่มีราคาโทสะโมหะครอบงำในขณะนั้น ลักษณะของจิตที่เป็นอกุศลนะหนักหนักแน่นแ่นแข็งแข็งซึมๆึทื่อๆมันหนักมันไม่เบานะไม่มีราหูตามันแข็งมันไม่นุ่มไม่มีมูทุตานีมันทื่อๆอยู่ไม่คล่องแคล่วนะไม่มีปาขุนตาไม่มีความคล่องแคล่วนะไม่ซื่อตรงในการรู้อารมณ์รู้อะไรแล้วก็ชอบเข้าไปแทรกแสงอารมณ์นะเข้าไปยึดไปถือไปอะไรนะเนื่องไม่ไม่มีอุชุกตาไม่ซื่อ ลักษณะของจิตถ้าเราแยกเป็นนะว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลอาคุศลเราจะรู้เลยเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัติที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยไปสร้างอาคุศ ล, ลจิตขึ้นมาทันทีที่ลงมือปฏิบัติจิตก็แน่นเลยเคยรู้สึกไหมจะเดินจงกรมนะจิตแน่นปึ๊กขึ้นมาเลยจิตที่แน่นๆจิตที่หนักๆเนี่ยอาคุศ ล, ลจิตนะถ้าเราไม่เคยเรียนเรื่องจิตเราก็รู้สึกว่าเนี่ยดีกําลังเจริญสติจเจริญปัญญากําลังทําความเพียร แท้จริงกาลังพัฒนากิเลสอยู่โดยไม่รู้ตัวการที่จะข้ามบทเรียนของพระพุทธเจ้าตามใจชอบบทใดบทหนึ่งเนี่ยไม่ถูกต้องอย่างยิ่งเลยนะถ้าจิตศิกขาไม่สําคัญพระพุทธเจ้าคงไม่สอนหรอกนะงั้นเราต้องเรียนเรื่องจิตให้ดีจนเราจําแนงได้ว่าจิตที่เป็นกุศลมันเป็นแบบหนึ่งนะจิตอกุศลมันเป็นแบบหนึ่งถ้าหากลงมือปฏิบัติแล้วจิตหนักหนั ก, นกแน่นแน่นแข็งแขงซึมซมทื่อทเนี่ยรู้ได้เลยว่าอากุศลเกิดแล้ว นะเราอยาไปฝึกจิตให้มันแข็งแข็ๆทื่อๆนะแล้วถัดจากนั้นเราต้องมาดูอีกจิตที่เป็นกุศลเนี่ยยังมีหลายระดับจิตที่เป็นกุศลที่ใช้ทำความสงบทำสมถะ เ, เป็นแบบหนึ่งนะจิตที่เป็นกุศลที่จะใช้เจริญปัญญาเป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันจิตที่ทำสมถะเนี่ยมันจะนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะอย่างปกติจิตของเราจะฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านเป็นยังไง จิตที่ฟุ้งซ่านก็คือจิตที่เดี๋ยวเขาวิ่งไปดูเดี๋ยวเขวิ่งไปฟังเดี๋ยวเขวิ่งไปคิดทํางานตลอดเวลานะหมุนจีหมุนติวติวติอยู่ตลอดเวลานะีมันฟุ้งซ่านคําว่าฟุ้งซ่านก็คือฟุ้งไปในอารมณ์ต่างๆซ่านไปในอารมณ์ต่างๆเดี๋ยวก็ฟุ้งไปดูรูปเดี๋ยวก็ฟ<ๆ>ุ e <ๆ>้งไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ฟุ้งไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านทางใจไปคิดนึกเรื่องนนเรื่องนี้จิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยทำไมมันถึงฟุ้งซ่าน จิตที่ฟุ้งซ่านนั้นเพราะว่ามันเที่ยวแสวงหาความสุขอย่างเราจะไปดูรูปนะเราอยากมีความทุกข์หรืออยากมีความสุขอย่างอยากจะดูหนังเนี่ยอยากทุกข์หรืออยากสุขล่ะอยากสุขใช่อยากฟังเพลงเพราะๆเนี่ยอยากทุกข์หรืออยากสุขก็อยากสุขอยากกินของอร่อยก็อยากสุขใช่อยากมีสัมผัสที่ดีแหมมีเสื้อผ้านุ่มๆนะนั่งห้องแอร์เย็นๆเลยก็อยากมีความสุข คิดนึกก็อยากคิดเรื่องเศร้าๆไหมก็ไม่ค่อยอยากคิดนะก็อยากคิดให้มันมีความสุขแต่บางคนมันมีโรคจิตนะคิดเรื่องเศร้าๆแล้วมีความสุขมีน้ําชอบคิดนะผู้หญิงเป็นเดียวกว่าผู้ชายอันนี้ยต้องระวังนะกึ่งๆโรคจิตแล้วอยู่ๆก็คิดให้มันเศร้าสวมวิญญาณนางเอกละท้ละทวยตาปล่อยๆนะแมมมีความสุขทั้งวันมาอยู่ใกล้เราจะเบิร์ตได้นั่นมันสร้างอกุศลแท้ๆเลยนะจิตอย่างนั้นมันอกุศลนะเนี่ย เราต้องขยำนะย้ำรู้เท่าทันไว้จิตเนี่ยมันฟุ้งซ่านเน่ยเพราะมันเที่ยวหาความสุขงั้นวิธีที่จะไม่ให้จิตฟุ้งซ่านวิธีที่จะให้จิตสงบนะเคล็ดลับมันง่ายนิดเดียวหาความสุขมาให้จิตมันอยู่หาอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรส โ, โปรตพาธธรรมารมณ์ก็เรียกว่าอารมณ์ทั้งนั้นนะหาอารมณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าจิตไปอยู่แล้วจิตมีความสุขเอาอารมณ์ันนั้นมาลอจิต จิตจะไม่ฟุ้งซ่านไปหาอารมณ์อื่นจิตก็จะสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขเคล็ดลับของสมถะกรรมฐานมีเท่านี้เองนะหลวงพ่อฝึกสมาธิมาตั้งแต่7ขวบคนนึกว่าหลวงพ่อนั่งสมาธิไม่เป็นเหรอเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงนะหลวงพ่อนั่งสมาธิมาตั้งแต่7ขวบเราถึงจับหลักได้วิธีที่จฝึกจิตให้สงบนะต้องน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะอย่างต่อเนื่องอย่างหลวงพ่อตอนเด็ ก, ดกนะหายใจ ทำอานาปานาสติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยทำเรื่อยๆใจมีความสุขหายใจไปใจมีความสุขไปนะเนี่ยจิตมันก็จะตั้งมั่นมันพอใจมันก็อยู่กับลมหายใจไม่หนีไปที่ไหนเลยอยู่กับลมหายใจนานนละลมก็ค่อยแปลสภาพไปนะลมค่อยตื้นขึ้นตื้นขึ้นทีแรกเราหายใจยาวเวลาที่จิตมีกิเลสแรงๆเนี่ยลมหายใจต้องการเยอะนะร่างกายต้องการออกซิเจนเยอะ เวลาที่จิตใจสงบเนี่ยต้องการอากาศน้อยลงน้อยลงนะลมหายใจจะตื้นขึ้นตื้นขึ้นเวลาราคะแรงๆหายใจแรงรู้สึกไหมเวลาโทสะแรงๆก็หายใจแรงนะเวลาที่ใจมันสบายมันมีความสุขอยู่นะมันสงบอยู่นะสบายมลมหายใจมันจะค่อยละเอียดละเอียดในสุดลมหายใจก็จะหยุดนะกลายเป็นแสงสว่างอยู่ที่ปลายจมูกเนียนะจิตก็จะส่งอยู่ตรงนี้ได้นะ ถ้าฝึกจนชนานาญนะจะเล่นกระแสงได้ให้ใหญ่ให้เล็กให้เลยถ้าตรงนี้ก็เรียกว่าได้อุปจารสมาธินะหลจากนั้นก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นพร็จิตก็เข้าปฐมฌ า, านไปเข้าฌานเป็นลําดับไปเคล็ดลับมันมีเท่านี้เองคือหาอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิตจิตนี่คล้ายเด็กสุกสนชอบหนีออกไปเที่ยวนอกบ้าน เราก็หาของที่เด็กนี้ชอบมาล่อนะเด็กคนนี้มันชอบกินขนมหาขนมมาไว้ในบ้านเยอะๆมันไม่ไปไหนไกลเดี๋ยวมันก็วิ่งกลับมาบ้านลนะมันชอบเล่นเกมหาเกมให้มันเล่นแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่เลวนะอย่าไปทําเด็กทุกวันนี้เล่นเกมจนเสียความเป็นมนุษย์ไปเยอะเลยนะคบกับใครไม่เป็นแล้วพูดกับใครไม่เป็นได้แต่แชทนะพูดไม่เป็นจิ้มอย่างเดียวเลยนะโกหกหลอกลวงอะไรก็ได้นะผู้ใหญ่ก็เป็นอนะไม่ใช่โทษแต่เด็ก หาสิ่งที่เด็กชอบนะมาไว้ในบ้านเด็กจะไม่หนีไปไหนหาอารมณ์ที่ดีมาให้จิตอยู่จิตจะไม่หนีไปไหนเคล็ดลับมันมีเท่านี้แหละนะวิธีทําสมถะอย่าบาังคับจิตให้สงบจิตไม่ชอบให้ใครบังคับต้องหาอะไรมาโอ้โลมลมปฏิลมให้จิตมีความสุขนี่เคล็ดลับของการทําสมถะบางคนบอกทํามาตั้งนานไม่เคยสงบเลยฟังซีดีหลวงพ่อประโมทแป๊บเดียวสงบลนะ้ยังไม่ทันปฏิบัติเลยสงบแนละ้วเพราะอะไร ฟังแล้วแหมเสียงหลวงพ่อฟังแล้วน่าฟังดีนะฟังแล้วจิตใจสบายพอจิตใจสบายจิตใจก็สงบเห็นไหมใช่หลักนี้เองความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิให้เกิดความสงบนะนี่การเรียนเรื่องจิตศีกษาเนี่ยไม่ใช่เรียนแค่นี้ไม่ใช่เรียนเพื่อให้จิตสงบอย่างเดียวจิตสงบนี่เอาไว้พักผ่อนเวลาที่เราทํางานเหนื่อยๆล้วก็ให้จิตได้สงบได้พักผ่อนเราก็จะมีเรื่องมีแรง เวลาเราทำกรรมฐานเจริญปัญญามากๆไปเหนื่อยเราก็มาทำความสงบจิตนะให้จิตมีเรี่ยวมีแรงงั้นการทำความสงบจิตนี่มีประโยชน์เอาไว้พักผ่อนแต่ไม่เกี่ยวกับการเจริญปัญญาการเจริญปัญญานั้นมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นสมาธิที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานอารัมมะอารัมมะก็คืออารมณ์นั่นเอง เป็นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในรมันเดียวใช้ทําสมถกรรมฐานก็นใช้ทํางานทางโลกสมาธิอีกชนิดหนึ่งชื่อลักขณูปนิชฌานแะเป็นความตั้งมั่นของจิตถ้าเราไปเปิดพระจารยานุกรมดูเราจะเห็นเลยว่าเขาแปลว่าสมาธิว่าความตั้งมั่นแต่พวกเรามาักง่ายชอบแปลสมาธิว่าสงบสมาธิจริงๆแปลว่าความตั้งมั่นของจิต ปกติจิตของเราไม่ตั้งมั่นนะมันจะไหลไปไหลมาตลอดเวลามันไม่คงที่ไม่ไเฉื่อยแหว่งไปแหว่งมาตลอดนะเดี๋ยวเขาวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางจมูกวิ่งไปทางลิ้นวิ่งไปทางกายวิ่งไปทางใจนะวิ่งออกนอกตลอดเวลานี่วิธีการที่เราจะมาฝึกให้จิตตั้งมั่นทํำยังไงอาศัยสตินี่แหละสติเป็นตัวรู้ทันนะรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปงั้นถ้าจิตวิ่งไปดูรูปรู้ว่าจิตมันวิ่งไปที่รูปแล้ว นะจิตไม่นจะกลับมาตั้งมั่นขึ้นมาถ้ารู้ทันว่าจิตวิ่งไปฟังเสียงจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมารู้ทันว่าจิตไปคิดจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาจิตนั้นไม่ตั้งมั่นเพราะจิตนี้เคลื่อนที่ไปไหลไปทางสวรรค์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเคลื่อนแล้วไ ป, ปเปรีป้ยไปเรื่อยก็เรียกว่าฟุงา้งซ่านนะฟุ้งมากๆจะให้ตั้งมั่นก็ไม่ไหวอันนั้นก็ทําสมาธิก่อนเพ่งอารมณ์อันเดียวก่อนแต่ถ้ามีกําลังพอแล้วนะต้องมาพัฒนาสมาธิที่จิตตั้งมัน จิตไหลได้หกช่องทางดูยากเอามันช่องเดียวเวลาฝึกนะไม่ต้องฝึกหกช่องเสียเวลาแล้วมันดูยากช่องไหนที่จิตไหลบ่อยที่สุดนะช่องใจไหลไปทําอะไรไหลไิคิดระหว่างไหลไปดูกับไหลไิคิดอะไรเกิดบ่อยกว่ากันเออลองดูของจริงนะพวกเราลองดูพระพุทธรูปมีพระพุทธรูปสังเกตไหมใจดูพระพุทธรูปแวบเดียวแต่คิ ด, ดยาวเลย เวาดูทีวีนะดูแป๊บเดียวจะคิดไปอีกยาวเลยเวลาดูหลวงพ่อเนี่ย<ม>เห็นหน้าหลวงพ่อฟังฟังนิดเดียวดูนิดเดียวคิดอีกยาวเลยงั้นส่วนใหญ่นะเวลาส่วนใหญ่ของใจเราเนี่ยเอาไปคิดงั้นเราไม่ต้องไปเรียนทั้ง6ช่องเอามันช่องเดียวเนี่ยแหละช่องใจใจนี้ชอบหนีไปคิดต่อไปนี่เราคอยมีสติเห็นไหมเครื่องมือก็คือสติอีกหละมีสตินะรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นที่จิตเราก็ได้ศีล มีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเราจะได้สมาธนะิขั้นสุดท้ายจะมีสติรู้ทันรูปนามนะจะได้ปัญญาด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นนะจิตมีสมาธิชนิดตั้งมั่นปัญญาจะเกิดถ้าปัญญาจะเกิดนะอริยมรรคจะเกิดตามมาถ้นะาไม่งั้นไม่เกิดงั้นก่อนที่จะเจริญปัญญาเนี่ยต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้ได้ก่อนถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้นะเป็นกฎเลยนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจะเจริญปัญญาไม่ได้จิตสงบเจริญปัญญาได้ไหม จิตสงบเฉยๆแต่ไม่ตั้งมั่นไม่เจริญปัญญาจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยสงบอยู่ในตัวเองแต่อารมณ์ไมสนะ่สงบจิตนั้นสงบจิตเป็น1อารมณ์ไม่สงบอารมณ์จะเคลื่อนตลอดนะถ้าสมถธานาะสมาธิชนิดแรกจิตเป็น1อารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเข้าไปกเกาะอยู่ด้วยกันเช่นะเราดูท้องพองยบจิตไปจับอยู่ที่ท้องจิตเป็น1อารมณ์เป็นหนึ่ ง, อ, งอย่างนี้สมถะเป็นสมาธิชนิดที่1 เรียกอารามณูปนิชฌานแต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูจิตเป็น1อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านเลยเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยอย่างนี้เรียกว่าจิตที่ตั้งมั่นสมาธิที่เราต้องการคือสมาธิอย่างหลังนี้นะที่จะใช้เดินปัญญาแต่ว่าเมื่อเดินปัญญาจนเหนื่อยแล้วเราก็เอาจิตเข้าไปจับอยู่ในอารมณ์เดียวให้จิตได้พักผ่อนนะพอจิตมีแรงแล้วก็ถอยออกมาเป็นคนดูตั้งมั่นขึ้นมาอีกเราจะไม่สามารถบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้ได้ถ้าเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่น งันเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องแตกหักที่เราต้องเรียนให้ได้เมื่อ30 40ปีก่อน30มกว่าปีมาแล้วหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์เข้าไปที่ไหนนะครูบาอาจารย์พูดแต่คําว่าให้มีจิตผู้รู้จิตผู้รู้คืออะไรก็คือจิตที่เป็นคนดูก็คือจิตที่ตั้งมั่นนั่นเองแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายหรือความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอะไรแยกออกไปต่างหากเป็นของถูกดูจิตเป็นคนดู เนี่ยจิตที่เป็นคนดูนะถ้าคือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีสัมมาสมาธิถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตก็จะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่สามารถเห็นความจริงได้ตัวนี้เป็นตัวสําคัญมากเลยถ้าเราไม่ได้เรียนให้ถ่องแท้นะเราก็จะเชื่อตามๆกันชอบพูดกันเคยปากนะว่าถ้าไม่มีสมาธิจะไม่เกิดปัญญาไม่ได้รู้เลยว่าสมาธิมีหลายชนิดต้องบอกว่าถ้าไม่มีสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นก็จะไม่เกิดปัญญาอันนั้นถึงจะพูดถูก ถ้าสมาธิจิตสงบอย่างเดินจงกรมจิตไปอยู่ที่เท้านิ่งอยู่ที่เท้าปัญญาไม่เกิดหรอกนะจิตเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวไม่มีปัญญางั้นเราต้องพยายามฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นให้ได้สมาธิที่สงบเนี่ยวิธีฝึกนะก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องสมาธิที่จิตตั้งมั่นเนี่ยวิธีฝึกคือใช้สติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดนะ สำหรับพวกเราชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเราทรงฌานไม่ได้นะหน้าตาพวกเราไม่ค่อยได้เข้าฌานหรอกเพราะฉนั้นเราอาศัยการที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนทันทีที่เรารู้ทันจิตที่หนี่ไิคิดปุ๊บนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นเป็นขณะขณะเรียกว่ามีสมาธิที่เรียกคณิกะสมาธิสมาธิเป็นขณะขณะอย่าดูถูกนะเวลาที่เกิดอริยมรรคใช้เวลาหนึ่งขณะจิตเท่านั้นไม่มีสองขณะด้วยซ้ําไปงั้นไม่จําเป็นต้องหิวโหยอยากได้สมาธิยาวเข้าอัปปนา เขาอาปนาไม่ได้แล้วโอชาตินี้อาภัพไม่มีทางบรรลุมรรคผลไม่จริงเลยนะบางคนบอกต้องเข้าฌานก่อนถึงจะต้องฝึกเข้าฌานนะถึงจะบรรลุมรรคผลได้ไม่จริงเลยนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าท่านแยกแยะนะภิกษุ500องค์ที่เป็นพระอรหรันต์นะท่านแยกให้ฟังเลย60องค์เป็นพวกที่ได้วิชาสระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วล้างกิเลสได้เนี่วิชา3พวกนี้ทรงฌาน มีหกองค์ได้อภิน ญ, ญาหกภูทิปตาทิปเจโตปริยาญใ น, นพวกนี้นะหกองค์ oh ได้อุปโตภาควิมุติคือเข้าอารูปฌานได้อีก60องค์รวมแล้ว60 60 60เท่าไหร่180จาก500นะที่เหลือก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละนะที่เหลือก็คือคนซึ่งไม่ได้สงชานนะเพราะฉั้นพวกเราอย่าได้ท้อใจนะว่าเข้าฌานไม่เป็นชาตินี้ภาวานาไม่ได้นั้นไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้า เป็นคำสอนที่ชื่อเอาเองไปตีความคําว่าไม่มีสมาธิแล้วไม่เกิดปัญญาตีความผิดสมาธิที่ทําให้เกิดปัญญาคือสมาธิที่ตั้งมั่นต่างหากนะงั้นวิธีฝึกวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นนะทำกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราถนัดใครถนัดพุดโทโธใช้พุโทโธใครถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจใครถนัดดูท้องผองยุบก็ดูท้องผองยุบก็ได้อะไรก็ได้ขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ แต่ไม่ใช่ทําไปเพื่อให้จิตสงบไม่ใช่พุทโธแล้วน้อมจิตไปอยู่ที่พุทโธไม่ได้หายใจแล้วน้อมจิตไปอยู่ที่ลมหายใจไม่ได้ดูท้องผองยุบแล้วน้อมจิตไปอยู่ที่ท้องถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ที่เดียวเป็นสมถะเห็นไหมเป็นสมาธิอย่างแรกเราทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตเวลาจิตมันเคลื่อนไปจิตจะเคลื่อนไปสองแบบเท่านั้นเองนะเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี้ยบางทีจิตก็เคลื่อนไปคิดบางทีจิตก็เคลื่อนไปเพ่งลมหายใจ เวลาเราเดินจงกรมไม่ได้เดินให้สงบเราเดินจงกรมไปแล้วเราคอยรู้ทันจิตเดินไปเด right. ินไปจิตหนีไปคิดรู้ทันหรือเดินไปเดินไปจิตไหลไปอยู่ที่เท้าไปเพ่งเท้าแล้วรู้ทันการที่รู้จิตที่เคลื่อนไปคิดรู้จิตที่เคลื่อนไปเพ่งเนี่ยตรงที่เคลื่อนไปนั่นคือจิตซึ่งไม่ตั้งมั่นทันทีที่สติระลึกรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตมีอุทัศจนะเองทันทีที่สติระลึกรู้จิตที่เคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติ นนี่เป็นวิธีที่จะฝึกให้มีสมาธิอัตโนมัติขึ้นมาเฉะั้นพวกเราต้องฝึกนะทุกวันพยายามทําในรูปแบบใครถนัดพุดโทโธก็พุโทโธใครถนัดหายใจพองยุบเอาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่ทําไปเพื่อให้จิตสงบแต่ทําไปเพื่อจะรู้ทันจิตหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมรู้ทันอย่างนี้ตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนั้นแหะจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะนะฝึกบ่อยๆในสุดตัวรู้นี่จะเด่นดวงอยู่ ยาคิดว่าฆราวาสทําไม่ได้หลวงพ่อทําได้ตั้งแต่เป็นฆราวาสนะหลวงพ่อเนี่ยฝึกสมาธิและจิตเคลื่อนรู้เคลื่อนรู้นะไปเจอครูบาอ า, าจารย์หลวงปู่สิมหลวงปู่สิมพุทธาจารย์นี่ท่านขึ้นชื่อลือชาเรื่องเจโตปริยาญาณจิตไวมากเลยใครคิดอะไรปับๆๆนี่ท่านจวกเอาเลยนะท่านเจอหน้าหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้รรทําอย่างนี้ผู้รู้อย่าทําอย่างนี้ท่านไม่รู้จักชื่อ ถ้าเรียกว่าผู้รู้ทําไมไปเรียกว่าผู้รู้ก็จิตของเราเป็นผู้รู้จิตของเราตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จั ก, จ, จ, จ, จ, จ, กจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละคือจิตที่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นนะเป็นแค่นั้นเองนะไม่ใช่ลึกลับอะไรหรอก ง, งั้นเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนในสุดจิตจะตั้งมั่นเห็นไหมเราเรียนเรื่องจิตเราจะได้สมาธิหไหเรารู้ทันว่าถ้าเราน้อมจิตเป็นนิ่งในรมเดียวได้สมาธิชนิดที่หนึ่งทำความสงบ ถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาได้สมาธิชนิดที่2นะจิตจะตั้งมั่นไม่เคลื่อนจะตั้งอยู่เมื่อจิตไม่เคลื่อนแล้วเรามาถึงบทเรียนบทสุดท้ายนะนะเราเราเตรียมความพร้อมของจิตเรียบร้อยแล้วด้วยบทเรียนที่เรียกว่าจิตศึกษาเมื่อจิตเราพร้อมแล้วเนี่ยเรามาเจริญปัญญาเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้วนะไม่ใช่รู้สึกตัวอยู่เฉย บางคนบอกว่ารู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วก็รู้สึกอยู่เฉยๆแล้ววันนึงบรรลุมากปวดไม่บัตรลุหรอกต้องเจริญปัญญาวิธีเจริญปัญญานะใช้หลักง่ายๆเลยให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือจิตที่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นนั่นเองงั้นเราต้องมีจิตชนิดนี้ก่อนนะเราถึงจะสามารถเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้ ถ้าหากเราไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยมันจะดูกายจิตก็จะไหลเข้าไปที่กายดูใจจิตก็ไหลไปที่ใจบ้างไหลไปในความคิดบ้างนะไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเนี่ยคนไหนมีบุญวาสนามาก่อน <S <S <S <ๆ>เคยเจริญปัญญามาแต่ปางก่อนนะพอจิตตั้งมั่นปั๊บเนี่ยขันจะแยกทันทีเลยสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะร่างกายเนี่ยจะแยกออกไปเลย จิตจะเป็นคนดูร่างกายนี้เป็นของถูกดูร่างกายที่นั่งอยู่นี้เป็นของถูกดูไม่ใช่จิตจิตเป็นคนดูมันจะรู้สึกว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายนะจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่มีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสติรู้ทันว่ามีความสุขทุกข์เกิดขึ้นในกายจิตตั้งมั่นเป็นคนดูถ้เกิดปัญญาเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกข์เป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปเเห็นนาะ หรือมันความสุขความทุกข์เกิดที่ใจก็ได้นะเกิดที่ใจก็ได้มีความสุขใจความทุกข์ใจนะถ้าเรามีสติรู้ทันความสุขความทุกข์ที่ใจมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเราจะเห็นได้ว่าสุขทุกข์ที่ใจเนี่ยไม่ใช่ร่างกายด้วยไม่ใช่จิตด้วยนะแล้วก็กิเลสต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากิเลสกับจิตก็โคนละอนกันเวลาโกรธเนี่ยเป็นแค่สภาวะความโกรธที่ไหลเข้ามาจิตอยู่ต่างหากเป็นคนเห็นความโกรธ นะมันจะไม่ใช่เราโกรธอีกต่อไปแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะจิตจะเข้าไปเคลื่อนไปเกาะอยู่ที่ความโกรธมันจะกลายเป็นเราโกรธขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่ที่ขันมันแตกตัวออกเนี่ยความเป็นเราจะหายไปนะเพราะความเป็นเรานะมันไม่มีจริงแต่เราไม่สามารถเห็นอนัตตาเห็นว่าไม่มีตัวมีตนได้เพราะคณะมันมีอยู่คณ ะ, ะคระค์ังนอ น, นูน ะ, ะคระค์ังนอนหนูคือกลุ่มก้อนขันต่างๆมันมารวมกันเป็นตัวเดียวกันรวมเป็นก้อนเดียวกัน ก็เลยเกิดการสำคัญมั่นหมายขึ้นมาว่ามีตัวหลังขึ้นมามนะแต่ถ้าเมื่อไรจิตเราตั้งมั่นแล้วขันมันแยกออกนะร่างกายอยู่ส่วนหนึง่งความสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึง่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะกุศลอกุศลแยกออกไปโรคกรดลงแยกออกไปอยู่ส่วนจิตเป็นคนดูอยู่อย่างเงี้ยมันจะเห็นเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากุศลอกุศลก็ไม่ใช่เราจิตเองก็เกิดดับอยู่ทางทวานทั้งหกไม่ใช่เราอีกนะ เนีถ้าฝึก อ, อย่างนี้นะเรียกว่าการเจริญปัญญา น, ะนี่เวลาที่จะดูกายเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายมันทํางานไปการดูกายกับการดูจิตเนี่ยมีข้อที่ต่างกันอยู่นิดหนึ่งการดูกายนะดูลงปัจจุบันขณะนะขณะหมายถึงเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเราเห็นมือที่กําลังเคลื่อนเราเห็นปากกําลังขยับๆอยูนะ่เราพยักหน้าอนะไรเนี่ยเราเห็นไอ้ตัวเนี้ยกาลังเคลื่อนไหวอยู่เห็นตัวนี้ที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นะ นะี่รู้รู้ลงปัจจุบันขณะได้แต่การดูจิตดูใจเนี่มันจะเป็นการดูที่เรียกว่าปัจจุบันสันตติสืบเนื่องกับปัจจุบันดูเป็นปัจจุบันขณะไม่ได้เพราะอะไรเช่นความโกรธกําลังเกิดอยู่ขณะที่ความโกรธเกิดอยู่สติยังไม่เกิดเพราะงั้นไม่มีทางรู้เลยว่าโกรธนะสติเกิดทีหลังโกรธไปก่อนสติเกิดปั๊บความโกรธจะดับสะบั้นลงไปมันจะเห็นเลยความโกรธไม่ใช่เราหรอกความโกรธไม่เที่ยงเคยมีอยู่ตอนนี้ดับไปแล้วนะ มันจะมีคําว่าแล้วต่อท้ายโกรธไปแล้วโลบไปแล้วไม่ใช่ฝึกไม่ให้โลบไม่ให้โกรธไม่ให้หลงนะฝึกว่าโลบขึ้นมาแล้วก็รู้ทันว่าเออโลบไปแล้วล่ะโกรธแล้วล่ะหลงไปแล้วล่ะฟุ้งซ่านไปแล้วล่ะหดผูกไปแล้วล่ะเนี่ยตามรู้ไปเรื่อยสุดท้ายมันก็จะเห็นว่าสภาวะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในจิตเนี่ยเกิดดับเหมือนกันจะเห็นเลยไม่เที่ยงหรอกความโลบเกิดขึ้นแล้วก็ดับ ความโกรธเกิดแล้วก็ดับความหลงเกิดแล้วก็ดับอะไรๆเกิดก็ดับความสุขความทุกข์เกิดแล้วก็ดับเนี่ยเฝ้าดูลงไปเรื่อยนะปัญญามันมากพอเนี่ยอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเบื้องต้นเนี่ยพอเราเห็นตามความเป็นจริงมากเข้ามากเข้าเนี่ยใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางที่แรกไม่เป็นกลางนะเจอความสุขก็ยินดีเจอความทุกข์ก็ยินร้ายเจอกุศลก็ยินดีเจออกุศลก็ยินร้ายอันนี้สาหรับคนดีนะ ถ้าคนชั่วเวลาจิตเป็นกุศลอาจจะหินไล่ก็ได้นะไม่ชอบนะรู้สึกแมหมหมูนี้เสียความประพฤติดีเกินไปนะดันลุกขึ้นมาได้มาฟังเทศแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยนะเสียเสียวัฒนธรรมค่อยรู้นะค่อยรู้ต้องไปดูบ่อยบ่อยบสุดท้ายปัญญามันจะมันจะเข้าใจมากขึ้นนะมันจะเห็นเลยว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดแล้วก็ดับ เมื่อมันเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเนี่ยมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเวลาความสุขเกิดขึ้นไม่เห็นจะต้องยินดีเลยเพราะไม่นานก็ดับเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่เห็นต้องยินร้ายเลยเพราะไม่นานก็ดับกุศลอกุศลเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่ต้อง ย, ยินดียินร้ายนะเพราะไม่นานก็ดับจะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับแต่ที่โลภงพสอนตรงนี้นะต้องระมัดระวังนะ คำสอนตรงนี้เป็นคำสอนในขั้นปรมัตถธรรมขั้นจะข้ามโลกนะไม่ใช่ขั้นจริยธรรมนะถ้าขั้นจริยธรรมเนี่ยดีกับชั่วไม่เท่ากันนะต้องดีห้ามชั่วแต่ในขั้นปรมัตถธรรมที่จะข้ามโลกเนี่ยดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงแต่ถามแล้วทําอะไรต้องทําดีนะถ้าทําผิดเรียกว่าใช้ธรรมะมั่วซั่วแล้วนะแล้วฆ่าใครก็ได้เพราะว่าเป็นสุญญาตา ไม่รู้จักเลยว่าอะไรเป็นสมมุติอะไรเป็นปรมัดนะนี่พานําไม่เป็นหรอกพอเราใจเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยมันรู้นะว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรควรทําไม่ควรทําอันนี้ในขั้นจริยธรรมจะไม่ผิดหรอกนะแต่ในขั้นปรมัตธรรมมันจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับสุขกับทุกเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีกับชั่วเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ เพราะฉั้นถ้าใครพูดว่าดีกับชั่วเท่าเทียมกันต้องบอกเขานะพูดไม่ครบต้องบอกว่าดีกับชั่วเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เฉพาะในแง่ของความเป็นไตรลักษณ์คือของไม่เที่ยงเหมือนกันนะดีกับชั่วก็ไม่เที่ยงเท่าเท่ากันถูกบีบคั้นให้แตกสลายไปเหมือนเหมือนกันบังคับไม่ได้เหมือนเหมือนกันนะไม่ใช่ดีกับชั่วเท่าๆกันทุกทุกๆเงื่อนไขนะไม่ใช่ งั้นเวลาเรียนธรรมะต้องแยกให้ออกนะว่าธรรมะขั้นปรามารหรือขั้นจริยธรรมนี่า็เดี๋ยวจะมั่วดำโลกชีวิตเพี้ยนเพียนไปนี่พอใจมันเข้าสู่ความเป็นกลางความสุขเกิดขึ้นไม่ยินดีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ยินร้ายกุศลเกิดขึ้นก็ไม่ได้ยินดีนะอกุศลเกิดขึ้นก็ไม่ได้ยินร้ายเป็นกลางเมื่อเป็นกลางจิตจะหมดความดิ้นรนนะหมดความดิ้นรนหมดความปรุงแตง่งจิตที่หมดความดิ้นรนปรุงแต่งนี้จะสัมผัสพรนิพพานะอริยมรรคจะเกิดขึ้นในขณะนั้น แต่ขณะที่จะเกิดอริยมรรคจิตจะเข้าฌานนะเข้าเองโดยอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะเข้ามันเข้าของมันเองในขณะนั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องตกใจว่าเข้าฌานไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติได้แล้วเวลาที่จะเกิดอริยมรรคจิตจะเข้าฌานเองมีคำว่าเองนะเข้าฌานเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจบางคนบอกว่าไม่ไม่เข้าฌานไม่ได้ไม่เกิดมรรคถูก แต่ในขั้นเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยไม่ต้องเข้าฌานก็ได้นะเข้าฌานนะเข้าไปพักผ่อนแต่เวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยคนซึ่งไม่เคยเข้าฌานเนี่ยจิตจะเข้าฌานเองเข้าชั่วงขณะเท่านั้นเองแป๊บเดียวเจ็ขณะจิตตัดกิเลสเรียบร้อยไปแล้วนะถอยออกมาพอถอยออกมาแล้วเป็นพระริยะบุคคลละตัดทีแรกก็เป็นโสดาสกคาคานาคาเป็นพระอรหันต์ครั้งที่4นะจิตไม่จะได้ฌานอัตโนมัตินะ อย่างต่าที่สุดได้ปดมไมชันทุกๆคนนะโดยอัตโนมัติเลยตรงที่ได้โซดานะที่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไรดวงตาเห็นธรรมก็คือเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรตัวเราที่แท้จริงไม่มีมีแต่ของที่เกิดแล้วดับอะไรที่เกิดอะไรที่ดับก็ขันมันเกิดขันมันดับ งันพระโสดาบันเนี่ยที่ว่าได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมคือท่านเห็นจริงนะว่าสิ่งใดเกิดขึ้นส really ิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาขันทั้งหลายเกิดขึ้นขันทั้งหลายนั้นดับเป็นธรรมดาส่วนขั้นพระอรหันต์นั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับหรอกท่านจะเห็นว่าสิ่งซึ่งเกิดนั่นแหะมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นสิ่งที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกตั้งอยู่สิ่งที่ดับมีแต่ทุกขดับไปเรียกว่ารู้ทุกแจ่มแจ้งนะเห็นขันนั่นแหละซึ่งมมัััันนนนไ่่ใชตตวววเเราี้แหละป็ทุก นะพอเห็นทุกข์เพราะฉะนั้นจิตจะสลัดคืนขันให้โลกไปเลยจะไม่ยึดขันอีกนะจิตกับขันนี่จะพลากออกจากกันแยกเด็ดขาดออกจากกันไม่ปนเปื้อนเข้าถึงกันอีกต่อไปไม่กระทบกระเทือนเข้าถึงกันอีกต่อไปจิตใจจะเป็นอิสระนะไม่มีขอบไม่มีเขียนไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งนะครอบโลกครอบจักรวาลอยู่มีความสุขนะเต็มอิ่มอยู่ในตัวเองไม่ต้องรักษาไม่ต้องรักษาไม่สงวนรักษา งั้นวันนี้คุณหมอก็นิมลเทศเขาย้าเรื่องให้มีดวงตาเห็นธรรมก็แค่พระโสดาเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนกน่อนจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาสก่อนก่อนจะจบปริญญาเอกก็จบปริญญาตรีซะก่อ น, นไม่งั้นปริญญาปลอมเวลาเราได้ยินใครว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมนะพระเจ้าสอนหลักเรานะไม่ไม่ปฏิเสธ ไม่อนุโมทนาตั้งสติก่อนอย่างใครมาบอกนี่อาจารย์ของฉันเป็นพระลรหันตั้งสติก่อนไม่เชื่อก็อยังไม่ขัดขันต้องเข้าไปศึกษาดูก่อนได้มีปฏิปทามีภูมิมธรรมของพระลรหันไหมมีข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระลรหันไหมยิ่บอกเป็นพระลรหันสอนอะไรสอนให้ทําจิตให้ว่างนิรันดรไม่ใช่แน่นอนเขาไม่ใช่ปฏิปทาของพระลรหันนะ ต้องดูให้ออกนะต้องสอนศีลสมาธิปัญญานะศีลสิกขาจิตศิสิกขาปัญญาศิกขาถ้าออกนอกกรอบนี้ไม่ใช่หรอกนะพวกเราชอบหาทางลัดกันนะอยากได้วิธีลัดๆัดขี้เกียจโคตรเลยโชคที่จะหาวิธีลัดนะ่นะแทนที่จะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงมันเลื่อยไปเดี๋ยวก็เห็นเองอะเบื้องต้นก็จะเห็นไม่มีเราเบื้องปลายก็เห็นว่าของที่มีมีแต่ทุกข์ มันจะเห็นอย่างนั้นนะเป็นลำดับลำดับไปวันนี้เทศเท่านี้ก็พอแล้วล่ะนะถ้าเทศมากกว่านี้ก็เกินไปมีใครจะถามหลวงพ่อนะได้นิดนี่หน่อยหน่อยนะเอาว่ามาก็ตอนแรกไวตืว่นเต้นก็ ถ้าหลังหนูเคยร่วมเกินหลวงพ่อก็ขอโหสิกรรมเออนะทุกทุกคนนะหลวงพ่อเดี๋ย ว, วสรรทสมาธิเดี๋ยวต้องมาขอทีละคนนะให้หมดเลยก็ <c oughs> ตอนก่อนจะนั่งสมาธิก็ดูจิตก่อนแล้วทีนี้ก็ไม่ไหวแล้วมานั่งทำสมาธินิดนไดหน่อยหน่อยก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยสมาธิไม่ได้เห็นอะไรนะสมาธิฝึกถ้าจะฝึกให้จิตสงบ ก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์บรรเยวไม่ได้ไปดูอะไรนะถ้าจะให้จิตตั้งมั่นก็รู้ทันจิตเห็นอะไรเห็นแต่จิตเห็นจิตนะก็ก็ตอนนั้นตอนออกจากสมาธิก็หลวงพ่อบอกว่าให้มาดูที่ลมหายใจก็พิจารณากายก็มาดูที่อนัปปนสติจิตมันก็แวบขึ้นมาเอ๊ะ อ, อ, อะไรคิดไอ้ออจิตไปรู้ว่ามันคือแล้วก็ไปเปิดในอินเทอร์เนต็ตของหลวงปู่ ด, ดูลว่ามันคือ พืชแห่งจิตคือจิตมีพฤติกรรมของมันเ อ, อมันต้องคิดห้ามมันไม่ได้นะให้รู้มันแล้วทีนี้ก็กายภาพทางโลกว่าหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นออหนูไม่ต้องดูอะไรมากอะนะอะไรเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้สึกเอาอะไรเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นในจิตใจก็รู้สึกเอานะตอนนี้ก็จิตตั้งมั่นขึ้นเ อ, อยัง ไ, ไม่เข้าฐานร้อยเอร์ซดูออเปล่า ดูออกค่ะว่ายังมีทุกข์สุขยังมียินดียินร้ายเห็นไหมขนาดนี้สว่างหรือมัวมัวเห็นไหมจิตมีโมหะแทรกนะไม่ไม่ตั้งมั่นจริงหรอกนะข่มไวมไหมอึดอัดไหยอึดอัดอึดอัดแสดงว่าบังคับไว้ตื่นเต้นมากกว่าตื่นเต้นไม่เป็นไรตื่นเต้นแล้วแค่รู้ว่าตื่นเต้นนะแต่ตื่นเต้นแล้วไม่อยากให้ตื่นเต้นจะไปกดไว้กันแน่นแน่นขึ้นมานะไปทําต่อ ท่องโน้ที่ยังขาดเนี่ยขาดสมาธินะใช่ค่ะ<อ>นั่งไม่เป็นจริงก็ตอนนี้ก็ยังแบบ ม, มีเรเ่องมีราวอยู่นั่งไม่เป็นไม่เป็นไรนะท่องพุทธโธในใจไปเรื่อยพุทธโธพุทธโธไปจิตสงบก็รู้พุทธโธไปจิตฟุ้งซ่านก็รู้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงมันยังชอบชอบเที่ยวมากกว่าชอบเที่ยวเที่ยวต่างจังหวัดค่ะเที่ยววัด โอมีหน้าเ่ะมันถึงออกนอกมาดูกายดูใจสินะเอางี้ถ้าอยากทำบุญจะไปเที่ยวไหนตามวัดตามบาไม่ว่าอะไรถ้าอยากได้มากผลนิพพานเนี้ยมารู้กายรู้ใจไว้เราเลือกชีวิตของเราเองแหละนะอ่ะต่อไปก็ก็เห็นเห็นจิตเกิดเกิดดับในขนาดเดียวหน้าจะขนาดเดียวนะเพราะว่าสงสัยส่วนตัวนะว่าจิตมันมีห้าห้าขันด้วย Hmm? มีรูปน่าจะมีรูปมีสัญญา <c oughs> เวทนาสังขารวิญญาณจิตนะัมันเหมือนมเมล็ดพันต้นไม้ <c oughs> จิตดวงเดียวเนี่ยนะห <c oughs> ยั่งลงไปก็เกิดขันห้าขึ้นมาใหม่ใช <c oughs> นะ่อยากคิดเอายังคิดเอาอยู่ยังไม่ได้เห็นนะดูของจริงบ่อยๆนะดูลงในกายในใจบ่อยๆอยากคิดเอากิเลสไม่กลัวความคิดหรอกเพราะความคิดเป็นเครื่องมือของกิเลส ตอนนี้ก็มีความสุขไม่ไม่ดิ้นรนหาสิ่งนอกกายตอนนี้ก็มาทำแบบบารมีอบอกตรงๆเลยว่าเคล็ดลับอยู่ที่บารมีสิบเออเอาําไปไม่ว่าอา้าวคนต่อไปกราบนมัสการครับหลวงพอ่อช่วงนี้เสียของหลักครับแล้วก<า>็ศูญเสียของหลักครับมันเรื่องธรรมดาก็ การเกิดดับก็เลยเห็นน้อยลงครับก็เหลือตอนนอนที่มันดูไปจินะจิตเศร้าหมองครับจิตมันเศร้าหมองก็รู้ว่าเศร้าหมองนะห้ามไม่ได้อย่างเสียของรักไปเนี่ยจะห้ามบอกอย่าไปคิดถึงให้ปลงเสถรมันทำไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับก็มีสติรู้ไปนะต่อไปจะได้เข็ดหลับในสังสารวัตนี้นะหลวงพ่อช่วงนี้มันทําให้เบื่อครับผมก็เลยจะมาถามมาเบื่อตัวนี้นเป็นเป็นโทสะนะอย่าเพิ่งไปบวชเลยเป็นโทสะ ไปนุ่งขาวคลุมขาวก่อนได้ไม่จําเป็นแล้วกิเลสไม่ได้กลัวสีขา ว, ขาวสีเหลืองยังไม่กลัวเลยให้อยู่แบบนี้ไปถ้าอยู่ตรงไหนก็ได้นะเสมอกัะนแะตัวนั้นพร้อมจะบวชแล้วถ้าคิดว่าบวชแล้วคือโซลูชันแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเข้าใจผิดแล้วครับเราจะอยู่ตรงนี้ผิดหวังไปอยู่ในวัดเดี๋ยวก็ไปผิดหวังอีกแราววัดก็คือโลกอีกโลกหนึ่ง นะกล่าวนมัส ก, การนะครับคือเคยปฏิบัติมาแล้วเอเคยปฏิบัติผิดมาครับก็คือช่วงต้นปีครับไปปฏิบตัติคือหมายถึงว่าปฏิบัติไปปุ๊บก็คือไปเพ่งด้วยอืแล้วก็หลงไปในความคิดด้วย <okay. S 3> อยนีครับก็คือตอนมันคิดไม่ดีมาปุ๊บยิ่งไปกําหนดปุ๊บมันยิ่งเหมือนเหมือนกับมันยิ่งปุงห้ามไมไม่ได้หรอกเนี่ยตรงนี้ที่เราต้องเรียนเรื่องจิตศีกขานะ เราตรู้วิธีเลยว่าไม่ใช่ไปบังคับจิตจิตนั้บังคับไม่ได้แต่ให้รู้ทันหรอกจิตปรุงอะไรขึ้นมาก็รู้ทันไปเห็นไหมจิตไม่เที่ยงเห็นไหมจิตบังคับไม่ได้ดูไปด้วยนะให้เห็นสิ่งเหล่านี้การที่จะได้มักผลนะไม่ใช่ว่าไปฝึกจิตให้ดีให้สุขให้สงบดีสุขสงบเป็นของไม่เที่ยง แต่ถ้าเราฝึกไปจนเห็นว่าดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงนะทุกข์ก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงหมดเลยฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงดูไปในที่สุดก็เห็นวะทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปตัวนั้นถึงจะได้ธรรมะไม่ใช่ฝึกว่าดีขึ้นดีขึ้นแล้วได้ธรรมะอย่างเราภาวนานะนะบางช่วงก็ดีดีเลยภาวนาไปอีกสองสวันเลวเวอกแล้วสติแตกไม่มีสติละสมาธิก็ไม่เหลือละเนี่ยเป็นเรื่องปกติเลย จิตนั้นมีธรรมชาติเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมถ้าเรายอมรับความจริงตัวนี้ได้เห็นตัวนี้แล้วก็รู้จิตไม่ใช่ตัวเราจิตบังคับมันไม่ได้จิตมันไม่เที่ยงเนี่ยเรียกว่า เ, าเข้าใจธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมก็คือมีใจที่เข้าใจธรรมะนั่นแหละเพราะไม่ใช่เอาดีนะไม่ใช่เอาสุขไม่ใช่เอาสงบก็ดีสุขสงบไม่เที่ยงคือตอนตอนนี้งงอะครับก็คือหมายถึงว่าหลังจากปฏิบัติไปปุ๊บก็คือมีไปหา มีไปหาหมอด้วย <ừ. S 1> ก็คือหมอเขาแนะนําอย่างเงี้ยครับก็คือก่อนที่จะไปหาก็คือเราก็มีการทําการเคลื่อนไหวสมมุติถ้าจะคิดว่ามาปุ๊บเราก็จะดึงจิตมาอยู่การเคลื่อนไหวแต่ว่าที่ไปได้รับคําแนะนํา ม, มาคือมันเหมือนกับว่าเหมือนกับเราหนีอย่างเงี้ยครับก็คือหมอเขาให้ให้ที่เออดึงมาลาไป<พ>า ห, หาหมอ น, นะเอาซีดีหลวงพ่อไปฝากหมอด้วยมีหมอจํานวนมากนะตอนเนี้ย รักษาคนไข้นะ่รักษาไม่หายนะสุดท้ายใช้ไม้ตายแจกซีดีหลวงพ่อนะหายเนะี่ยไปฟังซีดีนะแล้วพาวนาเขา้าอย่างถ้าโรคทางสมองเนี่ยอันนี้ต้องรักษาไปทางฟิสิกส์ข้อนะโลกระบบประสาทแต่ถ้าโรคทางจิตใจเนี่ยภาวนาหายได้มันมันถือเป็นการหนีหรือป่าครับไม่หนีสิอย่าไปนหนีมันนะเรียนรู้มันไปแต่ถ้าไม่ไหวก็หนีก่อนไม่เป็นไร สู้ไม่ได้ก็ถอยนะ เ, ออเราเยัางยังเคลื่อนไหวได้หรือเปล่าครับเพราะว่าหมอเขาแนะนําให้ทําสมาธิครับเคลื่อนไหวแล้วมันจะเป็นสมาธิไหมมันสบายใจไหมหรือเคลื่อนไหวแล้วเครียดก็มีถ้ากําหนดลมหายใจก็คือค่อนข้าสบายใจครับต้องให้สบายใจนะเคล็ดลับของสมาธิอยู่ที่สบายใจที่พ่อสอนเมื่อกี้นี้นะถ้าทำแล้วเครียดอย่าไปทำเดี๋ยวยิ่งเป็นมากกว่าเก่า อคนต่อไปกลับมาพ ก, การหลวงพ่อครับอืออยากจะขอความการุณาหลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติ ม, มครับเกี่ยวกับคุณลักษณะของจิตผู้รู้หรือสมาธิที่ตั้งมั่นที่ได้จากฌานที่สองครับหลวงพ่ออืยกตัวอย่างเช่นอ่าเราบริกรรมถึงฌานที่สองอไอ้ตัวนี้แหละใช่แน่ๆที่มันตั้งมั่นมันมีสภาวะยังไงครับหลวงพอ่อช่วยการุณาด้วยครับคือรู้จักมีตกไหมรู้จักวิจารไหมรู้จักครับ มิต ก, ก็คือการที่จิตมันตรึกในอารมณ์นะมิจาริกจิตมันเคล้าเคลียในอารมณ์เห็นไหมมันเพียงมุ่งไปที่ตัวอารมณ์ถ้าเมืไรสติรู้ทันนะว่าจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์นะการเคลื่อนไปที่อารมณ์จะดับมิตกวิจาร์จะดับนะจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาในขณะนั้นจะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะไม่ขาดสติแล้วถ้าถึงฌานที่2แล้วเนี่ยมีปีติอยู่สติระลึกรู้ปีติปีติก็ดับเป็นความสุขก็ขึ้นฌานที่3าม สติระลึกรู้ความสุขความสุขก็ดับขึ้นชั้นที่4นะตรงนี้มีตัวผู้รู้ตลอดเลยถ้าได้ตัวผู้รู้มาจากการทำฌานนะตั้งแต่ชานที่2ขึ้นไปเนี่ยพอถอยออกมาเนี่ยตัวรู้นี่จะเด่นดวงอยู่ได้นานเลยนะมันจะรู้สึกจะเห็นว่าโลกแยกออกไปอยู่ต่างหากร่างกายนีแยกออกต่างหากครับกับเนาสการ์ของพ่อนะครับเป็นครั้งแรกที่มากลับของพ่อนะครับผมฟังซีดีของพ่อมาประมาณ 6ปีนะครับก็ปัจจุบันก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำในซีดีครับคือปฏิบัติตามชีวิตประจำวันนะครับรู้กายนีตือนเต้นนะตือนเต้นที่หลวงพ่อแนะนำจะมี3ข้อนะรักษาศีล5 2. าทำในรูปแบบ 3. ทํทำในชีวิตประจำวันนะแต่ถ้ามีอันเดียวไม่ถูกนะ <c oughs> ก็ัน ก, ก็พยายามอย่างที่ ที่หลวงพ่อแนะนํามานะครับก็คือรู้กายรู้ใจแต่ที่นี้ด้วยภาวะปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ลอตาลอแจกมันเยอะะครับการสํารวมอินทรีย์ทั้งห้ื อ, อทั้ง6ทั้งห้านะครับหกนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับมผมก็เลยมาค่อนข้างยอยากจะภาวนานะครับภาวนาเยอะหน่อยนะครับโดยดูที่ลมหายใจนะครับเราไม่ทราบว่าตอนนี้ผมตั้งมั่นบ้างนะครับกิจขณะนี้มึงเครียดไปหน่อยครับ คือการสํารวมอินทรียนะ์เนี่ยไม่ใช่ไม่ดูไม่ฟังไม่คิดนะสํารวมอินทรีย์หมายถึงว่าเมื่อตาเห็นรูปความยินดียินร้ายเกิดที่จิตมีสติรู้ทันก็จะเป็นกลางนี่เรียกสํารวมอินทรีย์ละคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเรารู้ทันจิตไว้คือการสํารวมอินทรีย์ไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ได้น้อมจิตให้นิ่งยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันนะน้อมให้นิ่งก็เป็นการทําสมถะ ในการหนีหนีการกระทบทางตาหูจมกูกลิ้นกายหรือแต่ใ จ, จอันเดียวถ้าหนีแล้วก็พอออกมาสู่โลกเมื่อไหร่นะมันจะรุนแรงนะอารมณ์มันจะแรงเช่นจะโมโหง่ายนะงั้นเวลาที่เราภาวนาเนี้ยเราคอยรู้ทันตาหูจมกูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปให้มันกระทบได้ไม่ใช่ห้ามเมื่อกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศ ล, ลให้รู้เกิดยินดียินไล่ขึ้นมาให้รู้นะ นี่แหละเราใจจะค่อยปรับสมดุลของมันนะครับผมต้องมีการบ้านนี่ไงให้แล้วนะอย่ายไปข่มมันนะผมรแรงไปครั บ, รบการนมัสการครับหลวงพ่อก็ผมเป็นคนหนึ่งก็ที่ปฏิบัติจากการได้ฟังซีดีหลวงพ่อนะครับ<ม>ก็มาสัก2เดือนแล้วนะครับ<ม>ก็ช่วงแรกๆนะครับที่เริ่มปฏิบตัติก็รู้สึกว่าเหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเข้าใจแล้วก็ชัดเจนครับเหมือนมีว่า ขนาที่ปฏิบัติในรูปแบบครับมันมีตัวหนึ่งตัวรู้ครับอออกมาดูเราอยู่ตรงเนี้ยครับดูๆอยู่นะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี้เริ่มสามเดือนสี่เดือนนี้เริ่มเริ่มงงแล้วครับอ <laughs> งงก็คือตอนนี้เริ่มงงว่าเมื่ อ, อไรที่ต้องอทําการเจริญปัญญานะครับก็มีคําถาม น, นะก็คือว่าอาจรจะเริ่มเจริญปัญญานี้จเจริญตอนที่ พอสตินะครับรู้ว่ามีการหลงไปนะครับแล้วมาหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเราเลิกปัญญานีปัญญาเนี่ยหลวงพ่อพูดแทนให้ครับปัญญาเนี่ยไม่ได้เกิดตลอดเวลานะที่ว่าเจริญปัญญาเจริญปัญญานะส่วนมากเราแค่มีสติรู้รูป ร, รู้นามไปดูกายดูใจทํางานไปนะรตรงที่ปัญญาเกิดนะคือเกิดความเข้าใจมันเกิดเป็นคราวๆไม่ได้เกิดตลอดหรอก หน้าที่ของเราก็เรียนซ้ําไปดูซ้ําไปซ้ําไปนะแล้วเกิดความเข้าใจขึ้นเป็นคราวๆเหมือนเราอ่านหนังสือที่ยากมากสักเล่มหนึ่งนะตอนที่อ่านไปยังไม่เกิดปัญญาหรอกอ่านเที่ยวแรกก็ไม่มีอ่านเที่ยวที่2เที่ยวที่3มนะันมันยากอ่านไปอ่านไปแล้วมันปิ้งขึ้นในขณะที่ปิ้งขึ้นมนะันเกิดปัญญาชั่วขณะเท่านั้นแหละไม่เกิดยาวหรอกปัญญานะงั้นเราดูอย่างนี้ถ้าเมื่อไหรนะเรารู้สึกความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแป ล, ปลงของของจิตใจได้ก็รู้ไป ถ้าเมื่อไรดูจิตใจไม่ออกแล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูไปถ้าเมื่อไหร่กายกับใจมันรวมเป็นอันเดียวกันดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วทำสมถะนะใช้หลักนี้นะดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะครับ ม, มีอีกหนึ่งคําถามครับมีอยู่ช่วงหนึ่งก็ประมาณช่วงกลางเดือนที่แล้วนะครับผมปฏิบัติในรูปแบบนะครับพอดีจิตมันดัน หลงเข้าไปอยู่ในสภาวะที่ว่างๆครับพอเริ่มเป็นอยู่ 3-4 มสวันนะครับหลับตาลงทุกครั้งปุ๊บสติเริ่มจับนิ่งนะครับมีความสบายอะไรเกิดขึ้นหลายๆอย่างครับแต่ขณะเดียวกันผมก็นึกรู้ว่า เ, เราตกเข้าไปอยู่ในสมาธิแล้วหรือเปล่าใชนะ่ก็เลยถอนถอนสอนสมาธิออกมาครับก็เป็นอยู่พักหนึ่งก็ว่าช่วงนี้หายไปแล้วครับพอยากจะช่วยแนะนำนะครับโอ้ลาดมากเลยพวกนักดูจิตดูจิตไม่ค่อยได้ดูจิตหรอก นะพอดูไปดูไปแล้วนจิตมันจะเคลื่อนออกน้ำไปสว่างว่างอยู่ข้างนอกนะแล้วจิตออกนอกไปอยู่ว่างๆข้างนอกนั้นรู้ไม่ทันแล้ติดอยู่ตัวนั้นน่ะใจสว่างตรงที่สว่างว่างเนี่ยเขาเรียกว่าโอภาษ์เป็นวิปัสสนูตัวที่1เลยใน10ตัวตัวสว่างเนี่ยงั้นถ้าเราเมื่อไหร่ที่มันเกิดวิปัสสนูปกิเลสขึ้นมาเนี่ยนะถ้าจิตถึงฐานเมื่อไหร่นะสมาธิพอเมื่อไหร่วิปัสสนูหายทันทีเลย วิปัสสนูนี่เลยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าธรรมมุตทัจจะความฟุ้งซ่านในธรรมะสิประการมีโอภาษเป็นต้นนะงั้นถ้าเมื่อไร่จิตมันเป็นอยู่กับความสว่างเรารู้ทันว่าจิตหลงไปอยู่ที่ความสว่างจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิก็หลุดออกจากวิปัสสนูตัวนั้นไปนักปฏิบัติวิปัสนาไม่ต้องกลัววิปัสสนูเจอแน่ๆแต่แเป็นทางผ่านนะถ้าทำแล้วเกิดวิปัสสนูแสดงว่าเก่งถ้าทำแล้วได้แต่นิมิตะ แสดงว่าไม่เอาไหนเลยอ่าสุดท้ายครับการปฏิบัติของผมตอนนี้มาถูกต้องและถูกทางไหมครับหลวพ่ออยากให้ช่วยแนะนำหน่อยครับถูกแต่จิตยังไม่เข้าฐานอ๋อครับผมขอบคุณครับดูออกไหมดูไม่ออกนะครับตอนนี้ขณเนี้ยจิตไม่ถึงฐานเพราะตอนนี้ใช่เลยเออนะให้รู้ทันนะครับผมจิตยัง ก, กระจายอยู่ครับอ็กระจายอยู่างนี้ก็สบายหลวพอ่อสวัสดีค่ะอืม พ่อหนุส่งการบ้านเฉยๆค่ะจิตมีกำลังไหมตอนนี้อะค่ะหนูว่ามีนะหลวงพ่อมีไม่มากมก็ถือว่ามีนิดหน่อยรู้สึกตัวไหมรู้สึกค่ะออตอนที่บอกว่าหนูว่ามีอ่ะรู้สึกตัวไหมตอนนั้นยังนะเนี่ยให้รู้ลงนะหนูเห็นไหมใจอยากพูดตอนนี้ชักไม่อยากแล้วหลวงรู้สึกว่าหลวงพ่อไม่ค่อยชอบก็ ไม่นิยมมันเป็นความฟุ้งของจิตต้องรู้เอานะนถึงหนูนั่งถามหลวงพ่อทั้งวันทั้งคืนหนูจะไม่เข้าใจธรรมะหนูต้องดูของจริงที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจของเรานะเช่นความอยากพูดเกิดขึ้นรู้ทันความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ทันแล้วก็จะเห็นในความอยากพูดเกิดแล้วก็ดับความฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับถ้าหนูได้อย่างนี้นะ่หลวงพ่อจะดีใจนะหนูจะได้สาระแก่นสารของธรรมะพูดได้ไหมคะจําเป็นไหม รู้ว่ามันทำให้หนูดีขึ้นอะอะไรคือที่สิ่งที่หลวงพ่อแนะนำอะคะ่ะหลวงพ่ออนุญาตหรือเปล่าอย่ายาวนะอ่ะอยังไม่เอาดีกว่ารู้สึกไม่ค่อยใจมันฝอหลวงพ่อใจมันฝอนะฝ อ, อให้รู้ว่าฝอใจไม่ใช่เราหรอกภาวนาเอาเห็นไมมอยากพูดอีกแล้วก็หนู เดาจิตใจหลวงพ่อไม่ออกว่าจะให้หนูพูดหรือไม่พูดดีอ่ะน่าหลวงพ่อถามแล้วไงจำเป็นต้องพูดไหมถ้าจําเป็นเขาพูดคือตอนที่หลังจากคอร์สมาแล้ว่ค่ะหลวงพ่อก็ใช้โยนิโซมานสิการนะคะอค่อนข้างเยอะแล้วก็ผ่านไปได้เรื่อยๆทีนี้เ อ, อหนูก็แบบว่ามีดิฟฟิลิเกตบ่อยมากคือดูธรรมะในธรรมะที่หลวงพ่อบอกว่าหนูจะเจริญทางด้านนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่า มีบทเรียนให้มาให้ให้ให้มาเจอค่ะตอนที่หนูรู้สึกว่าหนูมีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ผิดศีลมาตลอดแต่หนูเวลาสํารวมแล้วหนูไม่ผิดศีลเวลานี่หนูมีโทสะเนี่ยปรากฏว่าหนูหนูมีความรู้สึกว่านอกจากเราจะไม่ผิดศีลแล้วเนี่ยเราต้องสํารวมกายวาจาใจหลังจากที่เรา ทำศีลให้ครบด้วย เ, ออเพราะทําให้ผู้คนรอบข้างหนูเนี่ยมีความรู้สึกว่าหนูไม่ได้ใช้อํานาจหน้าที่ในทางที่ผิดอะไรอ่านะนั้นก็ดีละแล้วก็หลังจากนั้นมาหนูก็มีตั้งแต่อยู่ในนี้ก็เป็นก็คือว่ายังดิฟลีลีเกสอยู่ตอนที่พิจารณาทำในธรรมแต่หนูรู้สึกว่าหนูดีขึ้นออก็เลยไม่ทราบว่าทุกครั้งที่หลวงพ่อคอมเมนต์หนูว่าธรรมดาจะไม่ถามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่วันนั้นที่หลังจากที่ลงคอร์สแ ล, ล้วหลวง หลวงพ่อมีคอมเมนต์มาหนูรู้สึกว่าหนูทําได้ดีขึ้นหนูเลยรู้สึกว่าเออหนูหนูมามาที่นี่เนี่ยหนูมาที่นี่เป็นครั้งแรกเพราะบ้านเดี๋ยวนี้อยู่บ้านอยู่แถวนี้อะค่ะหลวงพ่อเหมือนกันหลวงพ่อก็มาครั้งแรกแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเออคนถามมาเพราะไม่รู้ว่าจะเจอหลวงพ่อได้อีกสักไหร<น>่หล<ด>แล้วหนไปดูตัวนี้เลยนะ<ห>ตัวที่จะช่วยหนูได้เยอะอะก็คือความตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นจิตหนูยังไม่ค่อยตั้งมั่นนะมันแฉลับไปแฉลดมา หนูรู้ตัวนี้บ่อยๆน ะ, ะแล้วพอมันมีกําลังเนี่ยมันจะเดินปัญญาต่อได้<ะ>ถ้าไม่มีกําลังไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันเดินปัญญาไม่ได้จริงน ะ, ะมันจะสบายใจชั่วครั้งชั่วคราวะนะก็ยังไงก็เรียบร้อยแล้วค่ะหลวงพ่อ<ะ>นมัต ก, การคะ่ะหลวงพ่อฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณปีนิดๆคะ่ะก็สิ่งที่เกิดก็คือมันเหมือนมันเหมือนเรา เหมือนเรามีพื้นที่พื้นที่ว่างๆอยู่โดยที่มันไม่มีขอบเขตอะคะ่ะแล้วทุกสิ่งที่มันเกิดอะ่ะมันก็จะเกิดอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะเราไม่รักษาพื้นที่นี้นะค่ะแต่มันรู้ว่ามันมีค่ะถ้าเรารักษามันถนอมมันไว้ตลอดเวลามันจะกลายเป็นติดว่างค่นะแล้วจะสร้างพบขึ้นมานะอ๋อค่ะคืะคอคือหนูเป็นพวกตันหาจริตมันมันจะไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยคิดมากไม่ค่อยไม่ค่อยฟุง้งซ่านมันก็เลยจะแบบนิ่งๆแล้วก็เวลามีมีอะไรที่มันมากระทบตาหูจมูกมันก็จะเกิดแบบจิตมันก็จะวิ่งไปไปในทิศทางของเสียงนั้นน ะ, <ๆ S 2> นะคะ่ะใชออ่แล้วก็คือหนูคิดว่าคื อ, ค, อคือตอนแรกอะ่ะคิดว่าเราไม่มีวิหารธรรมอะคะ่ะเราจะหายใจมันก็ไม่ได้นานทีนี้ก็เลยแบบเอาไอ้ขอพื้นที่เนี่ยตัวนี้เราถ้าเราทําไว้อย่างนี้นะ จิตไม่จะติดมันคล้ายๆตัวตัวรู้เรานิ่งๆของอื่นเคลื่อนไหวแต่เหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งนะมันเป็นสังวรรักษาตัวรู้ไว้นะต้องให้เห็นว่าตัวรู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักเหมือนเหมือนกับตัวอื่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ไปประคองตัวนี้ไว้ค่ะแต่ว่าเราเอาตัวนี้เป็นวิหารธรรมไม่ได้ใช่มไม่ไดแล้วถ้าเรายังหาไม่เจอเราต้องทํำยังไงว่าหายใจไปก็ได้อะไรก็ได้นะหรือบริกรรมไปก็ได้ แล้วก็ ค, <ะ>คอยรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตรงนี้หนูไปรักษาตัวรู้ไว้คเ<ะ>พอมีรักษาตัวรู้ไว้เด่นดวงอย่างนี้นะจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเคลื่อนไหวหมดเลยเหลือตัวนิ่งอยู่ตัวเดียว<ะ>ออมันสงวนไหมถ้าตรงที่พระโกลทัญญะได้พระโสดาบไหมท่านเห็นทุกตัวเลยทั้งขัน5ทั้งหมดเลยนะตกอยู่ใต้ใจรัก<ะ>สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับรูปไม่เที่ยงเลทนาสัญญาสังขารอะไรเนี่ย ถ้าดูทั้งหมดไม่มีสังวนเหลือจิตไว้อันเดียวว่าจิตเที่ยงะนะต้องกล้าหารกล้าปล่อย ค, ครูบาอาจารย์เคยสอนนะอยากจะจับต้องแกล้งปล่อยค่ะก็คือเราเราเราจะปล่อยมันได้ยังไงนะคะใจถึงถึงหน่อยน ะ, ะออกมากระทบอารมณ์เนี่ยลืมลืมมันไปซะลืมให้ตัวนี้ นะลืมมันไปการที่แยกตัวรู้ออกมาเนี่ยถ้าแยกแล้วแรงเกินไปมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะกลายเป็นธรรมสมถะไปอีกแบบหนึง่งนะจิตมันจะว่างอยู่ตลอดนะทุกอย่างเคลื่อนไหวแต่จิตว่างนะก็คือเหมือนเร า, าไม่ไม่ค่อยกระทบอารมณ์เท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีแบบอารมณ์ที่แรงๆมา อ, อ, อย่างอย่างเช่นแบบคือนานๆ มีครั้งหนึ่งคือทะเลาะกับคุณพ่อทางโทรศัพท์คือนานๆทีเลยค่ะแต่ว่าทะเลาะคุยกันเสร็จก็จบแล้วก็เคลียร์ได้เสร็จแล้วก็มานั่งแล้วแบบตัวเราก็ร้องร้องไห้อยู่แต่ว่ามันจะมีจิตอ่ะที่เห็นตัวเราบังอึกสะอื้นอยู่แล้วก็ตัวตัวนี้ต้องสบายๆเบาๆนุ่มๆนะถ้าตัวนี้แข็งๆน่ะไม่ดีตัวนี้ต้องนุ่มนวลเบาๆนะคล่องแคล่วปราดเปรียวแล้วเกิดดับได้ด้วย เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดอย่างตอนนี้เป็นผู้คิดแล้วเห็นไหมต้องอย่างนี้ใช้ได้เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้<__>เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดอย่างนี้ใช้ได้<__>เป็นผู้รู้ตลอดเวลาไม่ดีติดสมถะแล้วก็สุดท้ายนะคะถ้าแบบเวลาเราเห็นทุกอย่างมั น, ม, นมันเกิดดับถึงแม้จะเห็นไม่มากอะแต่มันเหมือนมันมันไม่ได้สรุปให้เราว่าเออมันในแง่ไตรลักในจุดไหนเราต้องเห็นแล้วเห็นอีกนะแล้วถึงจุดที่เขาสรุปเนี่ยก็จะล้างกิเลส แต่ถ้าหากเราจงใจสรุปเนี่ยจะไม่ล้างกิเลสค่ะโอเคขอบคุณค่ะการรัมมาสการค่ะหลวงพ่อเต้นเตืว่าไงต้นเต้นไหมค่ะก็ส่งการบ้านหลวงพ่อค่ะไม่แน่ใจว่าที่ปฏิบัติมาจะปฏิบัติถูกหรือเปล่าปกติแล้วเป็นคนทำสมาธิไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ช่วงหลังๆมามีอยู่สักระยะหนึ่งมาแล้วค่ะพอรู้สึกว่าหายใจ หายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ดูตัวนี้ค่ะหลวงพ่อหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกว่ามันสบายแล้วก็รู้สึกว่ามีมีความสุขมีอะไรมู้ดันขึ้นมาบริเวณใบหน้าแล้วเหล่าหน้าเราก็ยิ้มออกมาแล้วก็ทำไปตลอดเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาไม่แน่ใจว่าให้รู้ทันสินะมีแรงดันขึ้นมาก็รู้ทันนะแรงนี้หายไปก็รู้ทันนะแล้วก็หายใจไปแล้วหายใจไปจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ หายใจไปมีความสุขก็รู้เฉยๆก็รู้นะแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติผิดใช่ไมคะหลว่อไม่ผิดหรอกต้องทำอีกเพราะว่าเวลาหายใจปุ๊บมันก็เหมือนนั่งยิ้มตลอดเวลา <c oughs> เป็นระยะเป็นระยะหลวงพ่อคะ่ะแล้วก็บางทีก็หลงไปคิดบ้างอะไรบ้างคะ่ะดีถ้าไม่หลงเลยเ ป, ปัญหาหนักเลย <c oughs> แล้วก็ทุกวันจะสวดมนต์นะคะหลวงพ่อปกติสวดมนต์ไปก็จะ ใจไม่รู้ไหลไปไหนตลอดเวลานะคะทุกวันนี้ก็สวดมนต์เอาแบบว่าสวดมนต์ในใจแล้วก็พอเราสวดมนต์รู้สึกว่าคําสวดมนต์มันจะมีลักษณะคล้ายความคิดแล้วก็มันคือความคิดมันอยู่อยู่ข้างหน้าเราจะไม่ได้อยู่รวมรวมกับตัวเราเหมือนที่เคยเป็นนะคะดีนั่นแหละมันพัฒนาขึ้นมันแยกออกไปแล้วมันจะเหมือนความคิดที่ที่ที่ที่ยุโรยู่ข้างหน้าเราค่ะเสร็จแล้วก็จะมีบางทีก็มีความ มีความคิดอันอื่นนะคะแทรกขึ้นมามขึ้นมาแล้วก็บางทีก็เห็นหน้าใครเป็รู้แวบขึ้นมามแล้วก็บางทีก็หลงไปบางทีถ้าจิตมันเหมือนมันไหลมันก็รวมไปเลยก็ไม่รู้ตัวสักพักมันก็กลับมาบางทีก็มาดูบางทีสวดมนต์อยู่ก็มาดูกายรู้สึกว่ามันเห็นกายกําลังหายใจเสร็จแล้วก็กลับไปดู บ, บทสวดมนต์มันจะสลับกันอยู่อย่างเนี้คะ่ะหลวงพ่อไม่รู้ว่าหนูปฏิบัติถูกหรือเปล่าถูกนะถูกนะแต่ว่าสมาธิชนิดสงบของหนูไม่พอ จิตหนูฟุ้งซ่านเก่งตัวที่จะช่วยหนูได้ตัวหนึ่งนะคคุยให้น้อยๆถ้าหนูคุยเยอะนะใจจะฟุ้งแหลกเลยชอบคุยเปล่าชอบคุยอน้เ <c oughs> นี่เป็น <c oughs> เป็นจุดอ่อนนะตรงนี้ถ้าเจอเพื่อนแล้วคุยจ้อยๆใจจะฟุง้ง <c oughs> <c oughs> แล้วก็เวลาปฏิบัติเวลาถ้าเกิดว่าทางานสมมติว่าหนูนั่งทํางานอยู่เวลาเราปฏิบัติหน้าที่อะไรอยู่เนี่ยคะ่ะจะรู้สึกว่ามือ ขยับไปบางทีแต่หนูรู้สึกว่าตาไปดูแต่รู้สึกว่ามือมันจะห่างๆออกไปจากตัวเรามันปฏิบัติถูกไหมคะถูกมันห่างเองถึงจะถูกนะ<า>ถ้าจงใจให้ห่างไม่ถูกนะอย่างของหนูมันเกิดเองเนี้ยถูกค่ะก็ดูไปสลับกับที่เราทําแล้วก็ไหลไปคิดแล้วก็ดูไปสลับกันไปเรื่อยๆคะ่ะใช่ถ้าสิ่งที่หนูต้องทํานะทําความสงบเข้ามามใจฟุ้งสั้นไปแล้วหนูต้องต้องทํายังไงให้มัน ก็ครุกคลี่น้อยๆคุยน้อยๆนั่นแหละแต่งานหลูงมาต้องพูดทั้งวัเนาะก็มีเวรกรรม <laughs> อขอบคุณมากค่ะหลวงพ่อก็ประมาณช่วงหนึ่งภาวนาไปแบบใช้ตามรู้ความคิดที่มันไหลไปเป็นวิหารธรรมนะครับมันก็รู้รู้แล้วก็ไปเพ่ง ช่วงแรกๆมันก็รู้สึกว่ามันรู้สึกตัวได้ไวนะแต่ว่าสักอาทิตย์สองอาทิตย์มานี้มันเริ่มซึมซึมทื่อๆครับดู๋ยวไปสิการปฏิบัตินะครูบาอาจารย์ท่านสอนบอกว่าจิตนะ่ะมีธรรมชาติเจริญแล้วก็เสื่อมบางช่วงก็เจริญนะสติเกิดไรเกิดบางช่วงก็ซึมๆึมไปให้รู้นะแล้วถ้าซึมแล้วไม่ชอบให้รู้วไม่ชอบเพราะงั้นไม่ว่ามันอย่างบางช่วงปลาดเปลวผ่องใสรู้ว่าผ่องใสแต่ใจชอบรู้ว่าชอบ บางช่วงซึมไปใจไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้เข้ามาให้ถึงใจของเราในสุดใจมันจะเป็นกลางสดใสใจก็เป็นกลางซึมใจก็เป็นกลางในที่สุดมันก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันซึมก็ไม่เที่ยงรู้ตัวดีก็ไม่เที่ยงอย่างนี้เพ่งนะอย่าไปเพ่งไหมมีมีประคองมีเพ่งไว้บ้างเออนะประคองอยู่นะถ้าประคองมันจะแน่น เ บ, บืเ้องหลังการประครองมันก็คือโลภะ<ม>นั่นแหละนะใจมันโลภอยากอ่ะอยากก็เลยคือปกคองอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ใจก็เข้าประคองถ้ารู้ทันใจที่อยากนะความอยากดับก็ไม่ประครองละกราตรการพระคุณเจ้าเจ้าข้าคือว่าหนูเพิ่งมาครั้งแรกคะ่ะ น, น, นี่หนูสนใจว่าจะอฏิบัติแนวไหนดีครับเพราะว่ายุบหนอกพองหนอกก็ไม่ได้เดินยงกรมก็ไม่ได้อะไรก็ได้ ทําทอะไรได้เอาอันนั้นแหละนะของหนูเนี่ยปัญหาก็คือใจมันฟุ้งเก่งนะเพราะฉนั้นทํากรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแต่ว่าทําไปแล้วอย่าไปบังคับว่าจิตจะต้องสงบนะไม่สงบง่ายหรอกเอาทำกรรมฐานไปสักอย่างอย่าพุโทโธอย่าหายใจอะไรก็ทํานะแล้วก็รู้ทันจิตไปจิตเราฟุ้งซ่านรู้จิตเราหงุดหงิดก็รู้นะโมโหขึ้นมาก็รู้ในะครรู้ทันไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตมันค่อยดีเอง ต้องทำสักอย่างหนึ่งก่อนธรรมจารย์กาบพระอาจารย์ค่ะ อ, อครั้งที่แล้วพระอาจารย์ให้อุบายไปให้ไปรู้โทสะค่ะเห็นไหมเห็นเยอะเลยค่ะเห็นไหมว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันเห็นเจ้าค่ะนะดูอย่างเนี้ยดูไปด้วยนะเราไม่ได้ฝึกให้มันไม่มีโทสะหรอกแต่พอเรารู้ทันนะโทสะมันก็ลดลงลดลง กิเลสมันจะไม่แรงนะเพราะเรามีสติรู้ทันบ่อยๆแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยสุดท้ายเก็จะเห็นเลยว่าจิตเราเนี่ยเป็นของบังคับไม่ได้จะห้ามโทสะไม่ให้เกิดก็ห้ามไม่ได้น ะ, ะสั่งให้ดีมันก็ไม่เชื่อนะี่อย่างดูไปจนปัญญามันเกิดมันเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้โทสะออกมาทางเวทนามากเจ้าค่ะฮะทำไมโทสะเป็นทางเวทนาล่ะมันมีเวทนาสิมันมีโทสะ <c oughs> มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทศก็เกิดแทรกตามทุกขเวทนามีสุขเวทนาเกิดขึ้นราคะก็แทรกตามสุขเวทนาพรนะอาจารย์ ม, มีอะคะที่ภาวนามันมันดีขึ้นแล้วนะหน้าที่ก็ทำต่อไปนะขอบพระคุณเจ้าค่ะคือว่าที่อยากจะถามพระอาจารย์ว่า ความรู้สึกตัวอยู่ตรงข้ามกับการคิดใช่ไหมคะคือเมื่อไหร่ที่เราคิดนั่นหมายความว่าเราจะไม่รู้สึกตัวแต่เมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมานั่นหมายความว่าเราหลุดออกจากความคิดใช่ไหมคะคือธรรมชาติของจิตเนี่อรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวถ้ามันรู้เรื่องราวที่คิดนะมันก็ไปรู้รูปนามไม่ได้เพราะฉนั้นในขณะที่คิดเนี่ยมีร่างกายมันก็จะลืมมีจิตใจก็จะลืมเป็นเรื่องปกตินะเราไม่ห้ามความคิดเพราะจิตมีหน้าที่คิดเพราะั้นเชื่อจิตคิดไปแล้วเนี่ย เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลอะไรในใจเราก็คอยรู้เอาเราก็จะเห็นเลยสุขทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายนะเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปห้ามไม่ได้เราก็มาเจริญปัญญาด้วยการเห็นอย่างนี้คือช่วงที่ผ่านมาที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเพียงแต่ว่าอย่าไปประคองไว้เหมือนตอนนี้กลัวหลวงพ่อประคองไว้กลัวเหมือนกันคะ่ะที่ฝึกมาขันมันเริ่มแยกแล้วนะ คะอาจารย์คะคือสิ่งที่หนูเห็นจากการรู้สึกตัวคือหนูรู้สึกว่าหนูรายมากเลยอะคะ่ะตัวจริงพอรู้สึกอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมีสองอย่างคะ่ะอย่างแรกคือรู้สึกว่าความทุกข์มันตกหล่นออกไปได้ง่ายขึ้นแต่สุดท้ายเราก็วนเวียนกลับมาทุกข์อีกเ อ, อมันยังไม่เป็นสมุดเฉดประหาร น, นะค่ะกับอย่างที่สองคือหนูมีมุมมองที่เป็นมิตรกับคนรอบข้างมากขึ้นในมิติของความเป็นมนุษย์นะคะหลวงพอ่อคือหนูไม่รู้สึกว่าตัวเองดีหรือว่า สะอาดบริสุทธิ์อะไรเลยแต่คือรู้สึกว่าเวลาที่คนอื่นทําอะไรให้โกรธเนี่ยหนูจะไม่โกรธคือโกรธน้อยมากพอรู้ว่าเราก็ไม่ได้ดีกว่าเขาอะเราก็ลายมากอะค่ะอืมดีนี่แหละเราหัดดูตัวเองนะดูตัวเองแล้วแทนที่จะเกิดโทสะแล้วมันจะเกิดเมตตาขึ้นแทนใช่ไหมเนี่ยทันทีที่อากุศลดับนะกุศลมันย่อมานะและแทนที่จะโกรธมันก็กลาเห็นอกเห็นใจเกิดเมตตาเกิดอะไรขึ้นมา งั้นยิ่งเราภาวนานะรู้เท่าทาันจิตใจไปเนี่ยอกุศลที่มีอยู่มันก็ดับไปอกุศลใหม่มันก็ไม่เกิดกุศลที่มันไม่มีมันก็มีขึ้นมาที่มีแล้วมันก็มีมากขึ้นนั่นแหละเรียกว่ามีสัมมาวายามะมีความเพียรที่ถูกต้องแล้วนะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อเชียร์หนูหน่อยสิคะหนูจ้ า, าให้กําลังใจหน่อยคะ่ะแล้วหนูจะ<า>ปฏิบัติตามคําสอนของหลวง พ, พ่อจบมหาวิเลยมานานร้องเพลงเชียร์ไม่เป็นแล <laughs> นมัสการค่ะหลวงพ่อคือเคยปฏิบัติแนวสมถะมานานค่ะแล้วก็เพิ่งมาลองฟังซีดีของหลวงพ่อประมาณสองเดือนที่แล้วทีนี้ออพอลองปฏิบัติแนวนี้แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแน่นซึ่งก็ก็รู้อีกว่ามันเป็นเพราะว่าเราอยากแล้วก็บงังคับพอติดว่ามันสมนถะต้องเป็นสูขย์อะค่ะอทืทีนี้จะทํำยังไงดีอะค่ะต้องทนเอาก็ดูไปเรื่อยตอนทําสมถะนะมันติดมีความสุขมันไม่อยากเจริญปัญญาหรอกแล้วต้องฝืนใจมัน พามันเจริญปัญญาไปต่อไปพอมันเจริญปัญญาคล่องตัวแล้วก็มีปัญหาใหม่ไม่ยอมทําสมถะอีกแล้วนะก็ถึงเวลาก็ต้องทําสมถะนะต้องน้อมใจให้ทําสมถะนะตอนนี้มันอยู่ในขั้นที่ติดสมถะอยู่พอจะมาเดินปัญญามันไม่ยอมต้องพามันเดินไปด้วยต่อไปมันเดินปัญญาคล่องแล้วมันจะไม่ยอมทําสมถะมันจะกลับข้างอันนั้นก็ต้องฝืนใจทําสมถะ แล้วแต่ว่าเหมือนกับยิ่งตามรู้ความคิดมันจะยิ่งต่อฟุ้งไปเรื่อยๆเราเราไม่ตามความคิดไปเรารู้ทันเข้ามาที่จิตนะเรียกว่าเหมือนอย่างเคยเห็นเขาฉายหนังกลางแปลงไหมหนังที่มีจอหนังอยู่กลางแจ้งอะ่ะฉายไปเราอย่าไปวิ่งไปยุ่งกับภาพในจอหนังนะเราทวนเข้ามาที่เครื่องฉายหนังคือที่จิตของเราเพราะงั้นเวลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรู้ทันจิตไปจิตยินดีรู้ทันจิตยินร้ายรู้ทันไป ถมาที่จิตเนี่ยไม่ใช่ออกไปตามเรื่องราวที่คิดอะไรออกไปนะอย่างนั้นเหมือนไล่ตะครุบภาพในจอหนังมันไม่มีวันจบเลยเมื่อฉายหนังก็ฉายต่อไปเรื่อยๆถ้าทวนเข้ามาถึงจิตถึงใจนะขาดหมดนะอย่างงี้หนูควรจะมีกันบ้านกลับไปทําเพราหมคะให้ให้กันบ้านหนูไปทํากรรมฐานอย่างหนึ่งนะที่คุ้นเคยแต่ไม่ได้ทําให้จิตสงบ เอาแค่ว่าจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งในอารมณ์กรรมฐานนั้นนั้นรู้ทันนะอย่างนี้บ่อยๆหนูจะได้สมรรถ ท, ที่ยอดเยี่ยมอีกชนิดหนึง่งและได้ตัวนั้นขึ้นมาแล้วได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วนะ<า>ก็จะมาเจริญปัญญ า, าขันไดแยกอัตโนมัติเลยของหนูขันแยกได้อัตโนมัตินะไม่จะไม่ยากอะไรหรอกนำก้ำมัสกัดอยากให้ฟอสนสหน่อย ยถาวาริวหฮาปุราปริพุเรนติสักขังเอวเมวะอิโตดินังเปตาณังอุปกระปติอิชิตังปิตังทุมหังคิปเปเมวะสมิจฉุโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนารโสยัถามณิโชติระโสยัถะสัพพีติโยวิวัชฌันตตสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตราโยสุขีตีคายยโกภวะอาภิวาธานาสีลิสนิจังุทธาปจายิโนจตตาโรธรมาวัทันเตียยุวันโนสุขังพะลัง